เกี่ยวกับพระัพ์ทั้งในแง่บุคคลสังคมรัฐและเศรษฐกิจการเมืองอ่านโดยอริยคุณจุมรงพลดีร่วมจัดทาโดยเจ้าภาพหลักครอบครัวสินทวัตรสุเมรคุ้มวงปวีพาพรณิทิชโชคสิทธิ์เจ้าภาพรองทัชจวดีพมาราณ น, น์จันทนาสระสืบคุณร่วมกับครอบครัวสีโพคาครอบครัวเมกาวันยานินเวงเกศ ร, ราวดีอ น, นันทคุณ ติทยาวัฒนานิมิตกูลร่วมกับอีกหลายท่านฟังได้จากท้ายเรื่องขอทุกท่านร่วมอนุมโมทนาสภท า, านังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงพุทธธรรมฉบับปรับขยายตอนชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไรบทที่15องค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา หมวดที่สองหมวดศีลมรรคข้อที่สามสัมมาวาจาข้อที่สสัมมากัมมันตะข้อที่หสัมมาอาชีวะองค์มรรคสมข้อนี้เป็นขั้นศีลด้วยกันจึงรวมมากล่าวไว้พร้อมกันเมื่อพิจารณาความหมายตามหลักฐานในคำพี ปรากฏคำจำกัดความทรนองยกตัวอย่างดังนี้ภิกษุทั้งหลายสัมมาวาจาเป็นไฉนนี้เรียกว่าสัมมาวาจาคือหนึ่งมุสาวาทาเวรามณีเจตนางดเว้นจากการพูดเท็จ 2. ปิสุนายาวาจายาเวรามณีเจตนางดเว้นจากวาจาส่อเสียด 3. พรุษสายวาจายะเวรมณีเจตนางดเว้นวาจาหยาบคายสสัมผัสปลาปาเวรมณีเจตนางดเว้นการพูดเพอรอเจอ้อภิกษุทั้งหลายสัมมากัมมันตะเป็นไฉนี้เรียกว่าสัมมากัมมันตะ คือหปานาติปาตาเวรมณีเจตนางดเว้นจากการตัดรอนชีวิต 2. องิานาธานาเวรมณีเจตนางดเว้นจากการถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ 3. กาเมสุมิชาจาราเวรมณีเจตนางดเว้นการประพฤติผิดในการมทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายสัมมาอาชีวะเป็นไหนนี้เรียกว่าสัมมาอาชีวะคืออริยาสาวกละมิชาอาชีวะเสียหาเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะตัวอย่างมิชาอาชีวะได้แก่การหลอกลวงการประจบการทำเลสนายใช้เล ข, ขอการบีบบังคับขู่เข็น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 ความงดความเว้นความเว้นขาดเจตนางดเว้นจากวัจจทุจริตทั้งสของท่านผู้มีจิตเป็นอริยมีจิตไรอาสวะมีอริยามากเป็นสมงังคีกาลังเจริญอริยะมากอยู่ 2. สสัมมากัมมันตะที่เป็นโลกุตระได้แก่ความงดความเว้นความเว้นขาดเจตนางดเว้นจากกายทุจริตทั้งสาม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 ศีลในความหมายที่เป็นหลักกลางอันพึงถือเป็นหลักความประพฤติพื้นฐานจากความหมายหลักตามพุทธพจทนทิตรัสจากัดความอันเป็นประดุดแกนกลางของการฝึกอบรมขั้นศีลธรรมที่เรียกว่าอธาิ ศ, รร ศ, รรศรริลสิกานี้ก็กระจายออกไปเป็นข้อปฏิบัติและหลักความประพฤติต่างๆในส่วนรายละเอียดหรือประยุกยางกว้างขวางเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ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 ก็หล่อให้เป็นสิ่งสำหรับผู้ต้องการข้อธรรมที่เหมาะสมกับอัธยาศัยระดับการครองชีพและความประสงค์ของตนจะพึงสแสวงต่อไปเมื่อกล่าวโดยสรุปสำหรับคำสอนในรูปประยุกถ้ามิใช่ประยุกในส่วนรายละเอียดให้เหมาะกับบุคคลการเวลาสถานที่และโอกาสเฉพาะกรณีแล้วหลักใหญ่สาหรับการประยุกต์ก็คือสภาพความเป็นอยู่ หรือระดับการกรองชีวิตโดยในยะนี้จึงมีศีลมีข้อบัญญัติระบบความประพฤติต่างๆที่แยกกันออกไปเป็นศีลสำหรับเข้าหรือหัดและศีลสำหรับบรรพชิตเป็นต้นผู้ฝึกศึกษาพัฒนาในศีลจะต้องเข้าใจหลักการสาระสำคัญและที่สำคัญยิ่งคือวัตถุประสงค์ของศีลเหล่านั้น ทั้งในส่วนรายละเอียดที่ต่างกันและส่วนรวมสูงสุดที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจึงจะชื่อว่ามีความเข้าใจถูกต้องไม่งม ง, ง่ายปฏิบัติธรรมไม่ผิดพลาดและได้ผลจริงในที่นี้จะแสดงตัวอย่างการกระจายความหมายขององค์มรรคขั้นศีลเหล่านี้ออกไปเป็นหลักความประพฤติที่บังเกิดผลในทางปฏิบัติหลักความประพฤติที่นามาแสดงเป็นตัวอย่างนี้ เป็นหลักที่กระจายความหมายออกไปโดยตรงมีหัวข้อตรงกับในองค์มรกทุกข้อเป็นแต่เรียงลำดับฝ่ายกายกรรมซึ่งตรงกับสัมมารกรรมันตะก่อนฝ่ายวจีกรรมซึ่งตรงกับสัมมาวาจาแล้วเรียกชื่อว่ากุศลกรรมบทบ้างสุจริตบ้างความสะอาดทางกายวาจาและใจบ้างสมบัติแห่งกรรมตะบ้างและอื่น มีเรื่องตัวอย่างดังนี้เมื่อพระพุทธเจ้าประทับใ น, นเมืองปาวาในป่ามะม่วงของนายจุนทะกัมมารบุตรนายจุนทะมาเฝ้าได้สนทนาเรื่องโสใจยกรรมคือพิธีชำระตนให้บริสุทธิ์นายจุนทะทูลว่าเขานับถือบัญญัติพิธีชำระตัวตามแบบของรามชาวปัญชาภูมิผู้ถือเต้าน้าสวมพวงมาลัยสาวราย บูชาไฟถือปฏิบัติการลงน้ำบัญญัติของครามพวกนี้มีว่าแต่เช้าตรู่ทุกวันเมื่อลุกขึ้นจากที่นอนจะต้องเอามือลูบแผ่นดินถ้าไม่ลูบแผ่นดินต้องลูบมูลโคสดหรือลูบหญ้าเขียวหรือบำเรอไฟหรือยกมือไหว้พระอาทิตย์หรือมิฉนั้นก็ต้องลงน้ำอีกครบสามครั้งในตอนเย็นอย่างใดอย่างหนึ่ง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 การถือศิลปพตะปรามาสเหล่านี้กลับรุนแรงยิ่งขึ้นพร้อมกับการเสื่อมลงของพระพุทธศาสนาและเป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งของความเสื่อมนั้นด้วยน่าจะกล่าวได้ว่าการถือศิลปพตะปรามาสเจริญขึ้นมาใดในที่ใดความเสื่อมแห่งตัวแท้ของพระพุทธศาสนาก็ปรากฏขึ้นเมื่อนั้นณที่นั้นและน่าจะกล่าวได้ด้วยว่าการถือติดแน่นในศิลปตะปรามาท เป็นสาเหตุสาคัญให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรุนแรงที่เรียกว่าการปฏิวัติทางสังคมพระพุทธเจ้าตรัสว่าบัญญัติเรื่องการชาระตัวให้สะอาดของพวกพรามนี้เป็นอย่างหนึ่งส่วนการชำระตัวให้สะอาดในอริยวินัยเป็นอีกอย่างหนึ่งหาเหมือนกันไม่แล้วตรัสว่าคนที่ประกอบอากุศลกรมรบทสิบ มีปานาติบาตอดินนาทานเป็นต้นที่ตรงข้ามกับกุศลกรรมบทสิบชื่อว่ามีความไม่สะอาดทั้งทางกายทางวาจาทางใจคนเช่นนี้ลุกขึ้นเช้าจะลูบแผ่นดินหรือไม่ลูบจะลูบโคมไม้หรือจะไม่ลูบจะบูชาไฟจะไหว้พระอาทิตย์หรือไม่ทำก็ไม่สะอาดอยู่นั่นเองเพราะอากุศลกรรมบทเป็นสิ่งทั้งไม่สะอาดทั้งเป็นตัวการทำให้ไม่สะอาด แล้วตรัสกุศลกรรมบทสิบที่เป็นโสจ ย, ยะคือเครื่องชำระตัวให้สะอาดดังต่อไปนี้โสจ ย, ยะทางกายสาได้แก่การที่บุคคลบางคน 1. ละปานาติบาทเว้นขาดจากการตัดรอนชีวิตวางทันทะวางสัตรามีความละอายใจกอบด้วยเมตตาฝ่ายใจช่วยเหลือเกื้อกูล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 เป็นขาดจากการประพฤติผิดในการมทั้งหลายไม่ลวงละเมิดในสตรีเช่นอย่างผู้ที่ม่นดาวรักษาผู้ที่บิดดาวรักษาผู้ที่มีพี่น้องชายรักษาผู้ที่มีพี่น้องหญิงรักษาผู้ที่มีญาติรักษาผู้ที่ธรรมรักษาเช่นกฎหมายคุ้มครองหญิงมีสามีหญิงห่วงห้ามโดยที่สุดแม้หญิงที่มั่นแล้ว มาเหตุผู้อ่านในทางปฏิบัติแม้ละเมิดกับผู้ชายอื่นหรือผู้ชายด้วยกันก็เข้าข่ายการเมสุมิชาจารย์เช่นกันนะครับโสจัยยะทางวาจาสีได้แก่การที่บุคคลบางคนหนึ่งละมุสาวาดเว้นขาดจากการพูดเท็จเมื่ออยู่ในสภาก็ดี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 โจยะทางใจสามได้แก่อนาพิชชาไม่คิดจองเอาของคนอื่นอภัยาบาศไม่คิดร้ายใครตั้งใจเมตตาปรารถนาดีให้ทุกคนอยู่ดีมีสุขและสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องตามคลองธรรมสำหรับโจใจยะทางใจสามข้อนี้เป็นความหมายที่ขยายจากองค์มรตสองข้อแรก คือสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะในระดับโลกีซึ่งมีคำอธิบายข้างต้นแล้วจึงไม่คัดมาไว้ในที่นี้บุคคลผู้ประกอบด้วยกุศลธรรมบทสิบประการนี้ถึงตอนเช้าตรู่ลุกขึ้นจากที่นอนจะมาลูบแผ่นดินก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองถึงจะไม่ลูบแผ่นดินก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเอง ถึงจะยกมือไหว้พระอาทิตย์ก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองถึงจะไม่ยกมือไหว้พระอาทิตย์ก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองเพราะว่ากุศลกรรมบทสิประการนี้เป็นของสะอาดเองด้วยเป็นเครื่องทำให้สะอาดด้วยพุทธพจน์จากอังคุตระนิกายทัสกนิบาศ ท, ที่ว่าความหมายซึ่งขยายออกไปในรูประยุ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 ลักษณะของศีลหรือหลักความประพฤติเบื้องต้นแบบเทวะนิยมกับแบบสภาวะนิยมเคยมีปราดฝ่ายตะวันตกบางท่านเกียนข้อความทํานองตาหนิพระพุทธศาสนาไว้ว่ามีคำสอนมุ่งแต่ในทางปฏิเสธคือเนกาทีฟคือสอนให้ละเว้นความชั่วอย่างนั้นอย่างนี้ฝ่ายเดียวไม่ได้สอนย้ำชักจูงเร่งรัดพุทธศาสนิกให้ขวนขวายทาความดี ที่เป็น o s i ิทีฟไม่ได้แนะนำว่าเมื่อเว้นชัวรนั้นแล้วจะพึงทำความดีอย่างไรต่อไปมีคำสอนเป็นสกาวิสัยเป็นซับเจคทีฟเป็นได้เพียงจริยธรรมแห่งความคิดที่เรียกว่า An อัน i c of Thought เป็นคำสอนแบบถอนตัวและเฉยเฉยคือแพสซี ทำให้พุทธศาสนิกชนพอใจแต่เพียงแค่งดเว้นทำความชั่วคอยระวังเพียงไม่ให้ตนต้องเข้าไปเกี่ยวข้องพัวพันกับบาปไม่เอาใจใส่คว้นขวายช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยการลงมือกระทำการปลดเปลื้องความทุกข์และเสริมสร้างประโยชน์สุขจริงจังท่านผู้นั้นกล่าวว่าพุทธศาสนาแม้จะสอนให้มีเมตตากรุณาก็เพียงโดยตั้งความหวังความปรารถนาดีแผ่ออกด้วยใจอย่างเดียว ท่านผู้นั้นได้อ้างข้อความจากพระไตรปิฎกสนับสนุนทัศนของตนที่ว่าคำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นเพียงขั้นปฏิเสธหรือนกยติฟโดยยกคำจำกัดความองค์มรรคข้อสมารกรมันตะข้างต้นกำกับไว้ในข้อเขียนของตนซึ่งวัจนะที่อ้างเป็นของพระสารีบุตรจากประโยคที่ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายสมาการมันตะเป็นไหนะ การเว้นปานาติบาตการเว้นอธินนาทานการเว้นการเมสุมิชาจา์นี้แหลท่านผู้มีอายุทั้งหลายชื่อว่าสัมมากัมมันตะจากมาชิมานิกายอุปริปันาตท่านแสดงแต่หัวข้อไม่ได้ขยายความอย่างในกุศลละกรรมบทสิบที่ได้ดูกันข้างต้นการอ้างในแง่นี้ อ้างในหนังสือโดยโจเซฟเอลซัตตันซึ่งยังอ้างหลักธรรมข้ออื่นอีกเพื่อยืนยันทัศนะของท่านเช่นหลักกรรมหลักโอกาสในการเกิดใหม่การถอนตนหรือหลีกหนีจากเรื่องราวของโลกและชีวิตเป็นตน้นสำหรับหลักกรรมแก้ได้ตามคำที่ชี้แจงแล้วข้างตน้นหลักการเกิดใหม่ที่ว่าให้โอกาสคนผัดผ่อนไม่เร่งทาความดีนั้นคือในแง่จริยธรรมของคริส ว่าเกิดครั้งเดียวหมายเหตุผู้อ่านในที่นี้น่าจะหมายถึงถ้าเชื่อว่าเกิดครั้งเดียวก็จะเร่งทำความดีส่วนในหลักพุทธต้องเกิดหลายครั้งคนเลยผัดผ่อนไม่เร่งทำความดีข้อนี้ชี้แจงได้ไง่ายๆว่าพุทธศาสนาถือว่าเกิดเป็นมนุษย์ยากอย่างยิ่งเทียบว่ายากกว่าการที่เต่าในมหาสมุทรจะโผล่เสียสตรงห่วงอันเดียวที่ลอยคว้างในมหาสมุทร และบาปไม่มีโอกาสแก้ด้วยวิธีล้างหรือสารภาพบาปส่วนเรื่องถอนตัวไม่ยุ่งกับกิจการของโลกศาสตราจารย์ซัตตันอ้างพุทธพจน์ว่า Those who love nothing in this world are rich in joy and free from pain จากบาลีว่าตัสมาฮิเตสุคิโนวิตโซกาเยสังปียังนัตทิกุลฮิจิโลเก คำว่า l ลิฟในที่นี้ตรงกับปียะหมายถึงสิ่งที่รักด้วยเิน่หะซึ่งเป็นความยึดติดส่วนตัวความตอนนี้แสดงคุณสมบัติของผู้หลุดพ้นแล้วโดยเน้นด้านความเป็นอิสระและการมีความสุขอย่างอิสระที่ไม่ติดพันส่วนตัวด้วยสเสนหามีแต่เมตตาที่ไร้เขตแดนดังนั้นเมื่อจิตใจเป็นอิสระมีความสุขที่ไร้ทุกข์ไม่ห่วงใ ย, ยติดพันในอะไรอะไร ที่จะขาดทวงแล้วชีวิตทั้งหมดก็เปิดโล่งเต็มที่ที่จะดาเนินไปกับเมตตาการุณามุงนาบําเพนกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลกเพียงอย่างเดียวดังคติที่รู้กันดีว่าพหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะอย่างไรก็ดีคำกล่าวติของสารตราจารสัตตันนี้ซึ่งเป็นการแปลความหมายตามพื้นเพที่ท่านมีมา จะทำด้วยเจตนาหรือความเข้าใจผิดถูกอย่างไรก็ตามถือได้ว่าเป็นประโยชน์เพราะจะได้เป็นคําเตือนชาวพุทธให้เอาใจใส่ศึกษาความหมายที่ถูกต้องของหลักธรรมต่างๆและพึงยอมรับความจริงด้วยว่าความเชื่อถือและความเข้าใจในสังคมไทยเกี่ยวกับหลักธรรมเหล่านี้มีลักษณะาอาการที่ทําให้มองเห็นอย่างคํากล่าวติดนั้นได้ในครั้งที่เขียนพุทธธรรมเมื่อ30ปีก่อนนั้นชาวตะวันตก ยังรู้จักพุทธศาสนาน้อยและมีความเข้าใจผิดต่างๆรวมทั้งที่ว่าพุทธศาสนามองโลกแง่ร้ายมีแต่เรื่องทุกข์เวลานี้ในที่นี้คือพุทธศักราช2554สถานการณ์ได้เปลี่ยนไปมากสำหรับผู้ที่ศึกษาเข้าใจความหมายในทางปฏิบัติขององค์มรรคเหล่านี้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 จากความหมายในทางปฏิบัติข้างต้นนั้นเห็นได้ชัดอยู่แล้วว่าระบบศิลธรรมของมักไม่มีลักษณะจำกัดด้วยความเป็นนิเ t i ีฟหรือแพสซีฟหรือซับเจคทีฟหรือเป็นเพียงแอนิคลิกออฟท็อดอย่างที่ถูกวิจารณ์นั้นอย่างไรก็ตามเมื่อพบคำตำหนิวิจารณ์เช่นนั้นแล้วก็ควรถือโอกาสที่จะศึกษาให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อให้ทราบกว้างออกไปว่า คำจำกัดความขององค์มรคขั้นศีลแสดงถึงหลักความประพฤติและความเป็นอยู่พื้นฐานโดยโยงถึงจิตใจด้วยเจตนาแล้วเริ่มต้นด้วยท้อยคำที่มีรูปลักษณะในทางปฏิเสธโดยมีเหตุผลย่อยๆคือ 1. ศีลในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของพุทธธรรมมิใช่เป็นเทวะองค์การหรือคาสั่งบังคับสาเร็จรูป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 แม้จะยังไม่มีปัญญารู้แจ้งแจ่มชัดมีเพียงศรัทธาก็ต้องเป็นอาการะรวัติศรัทธาซึ่งมีพื้นความเข้าใจในเหตุผลเบื้องต้นพอเป็นฐานให้เกิดปัญญารู้ชัดต่อไป 2. ในกระบวนการปฏิบัติธรรมหรือการฝึกอบรมพัฒนาชีวิตนั้นเมื่อมองในแง่ลำดับ สิ่งที่จะต้องการทําให้พระนีดยิ่งขึ้นไปตามขั้นก็ต้องจัดเตรียมพื้นฐานให้ราบรื่นไม่งอนเงันไม่ขาดพร่องเริ่มด้วยละเว้นหรือกําจัดความชั่วก่อนแลจึงเสริมสร้างความดีให้บริบูรณ์จนถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นในที่สุดเหมือนจะปลูกพืชต้องชําระที่ดินกําจัดสิ่งที่เป็นโทษก่อนแลจึงหว่านพืชและบํารุงรักษาไปจนได้ผลที่หมาย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 โดยในยะนี้คุณค่าด้านจิตใจของศีลจึงมีความสําคัญมากคุณค่าทางจิตใจในขั้นศีลก็คือเจตนาที่จะงดเว้นหรือการไม่มีความดําริในการที่จะทำความชั่วดายอยู่ในใจซึ่งทำให้จิตใจบริสุทธิ์ปลอดโปรง่งไม่มีความคิดวุ่นวายขุ่นมัวหรือกังวลใดๆมารบกวนจิตใจจึงสงบทำให้เกิดสมาธิได้ง่าย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 และรับผิดชอบต่อผู้อื่นในการที่จะทำความดีแก่เขา 6. การกำหนดความหมายของศีลในแง่และเว้นความชั่วไม่ให้มีความเสียหายและการเบียดเบียนนั้นเป็นการกำหนดข้อปฏิบัติพื้นฐานแห่งความเป็นปกติทำให้เจตนาที่เป็นองค์ประกอบของจิตใจที่ออกมาเกี่ยวข้องด้านนี้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 ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนในการที่จะเข้าถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนาดังนั้นองค์มรรคแต่ละข้อจะต้องเป็นหลักกลางๆที่ทุกคนปฏิบัติตามได้ไม่จำกัดด้วยฐานะการละสมัยท้องถิน่นและสิ่งแวดล้อมจำพาะอย่างตามหลักนี้เมื่อมองในระดับศีลจะเห็นความเกี่ยวข้องโดยตรงเช่นการเว้นอธินาทาน เป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้แต่การให้ทานต้องอาศัยปัจจัยอื่นประกอบเช่นตนมีสิ่งที่จะให้มีผู้ที่จะรับและเขาควรได้รับเป็นต้นในกรณีที่ไม่อยู่ในฐานะและโอกาสเป็นต้นที่จะให้เจตนาที่ปราศจากอธินาทานก็เป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจบริสุทธิ์เป็นพื้นฐานแกสมาธิได้แล้ว แต่ในกรณีที่อยู่ในฐา น, นะและโอกาสเป็นต้นที่จะให้การไม่ใส่ใจหรือห่วงแหนจึงจะเกิดเป็นความเศร้าหมองขุนมัวแก่จิตใจและการให้จึงจะเป็นเครื่องส่งเสริมคุณธรรมของตนให้มากยิ่งขึ้นโดยในยะนี้ความหมายหลักของศีลจึงอยู่ในรูปคปําปฏิเสธหรือการละเว้นหรือปราศจากความชั่วส่วนความหมายที่ขยายออกไปในฝ่ายทําความดี ก็เป็นเรื่องของการประยุกต์และขยายออกไปดังกล่าวแล้ว 8. ในการปฏิบัติธรรมนั้นเมื่อพิจารณาในช่วงเวลาอันใดอันหนึ่งผู้ปฏิบัติธรรมย่อมกำลังบาเพ็ญคุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือประเภทใดประเภทหนึ่งอยู่เป็นพิเศษในเวลาเช่นนั้นเขาย่อมจะต้องพุ่งความคิด ความสนใจจำเพาะจ่อจงไปในสิ่งที่ปฏิบัตินั้นในกรณีเช่นนี้ความรับผิดชอบของเขาต่อความประพฤติด้านอื่นๆย่อมมีเพียงเป็นส่วนประกอบเพียงไม่ให้เกิดความชั่วเสียหายยังใดอย่างหนึ่งขึ้นเป็นสำคัญเป็นอันชัดเจนว่าประโยชน์ที่ต้องการจากศีลในกรณีเช่นนี้อยู่ที่การช่วยควบคุมรักษาความประพฤติด้านอื่นๆของเขาไว้ ป้องกันไม่ให้เสียหลักพลาดลงไปในความชั่วเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งจะได้ไม่มีส่วนร้องส่วนรบกวนทำให้มีพื้นฐานที่มั่นคงสามารถบำเพ็ญความดีจำเพาะเรื่องในขณนะนั้นๆมุ่งแน่ไปได้เต็มที่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 ตามหลักเทวานิยมรวมถึงเรื่องกรรมความดีความชั่วไว้เป็นพื้นสำหรับทำความเข้าใจดังนี้หนึ่งในแนวของสภาวะนิยมศีลเป็นหลักความประพฤติที่กำหนดขึ้นตามเหตุผลของกฎธรรมชาติส่วนในลทัทธิเทวานิยมศีลเป็นเทวะองค์การที่กำหนดขึ้นโดยเทวประสงค์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 สัมพันธ์กับการพัฒนาจิตใจและความเจริญปัญญาเกื้อนหนุนสมาธิและญานนณทัศนะจะพาให้ปราดปัญหาปล่อทุกข์ประสบผลที่เป็นประโยชน์สุขอย่างไรอย่างไรศีลร์จำเป็นสำหรับชีวิตและสังคมที่ดีงามมีความสุขอย่างไรดังที่ทราบกันว่ามักที่เรียกเต็มว่ามักมีองค์8ดนั้นคือรวมข้อปฏิบัติทั้งหมด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 เมื่อพูดถึงศีลก็บอกว่าศีลที่แท้ที่จริงที่ครบก็คือศีลที่มาจากมัสมีองแปดนั้นคือศีลที่เป็นองค์ของมัชและตามพุทธพจน์ที่ยกมาให้ดูก็เห็นชัดแล้วว่าองค์มัชที่เป็นหมวดศีลได้แก่สัมมาวาจาสัมมากรรมตะและสัมมาอาชีวะนี้คือศีลที่จริงที่แท้ที่ครบบริบูรณ์พุทธพจน์ข้างต้นนั้น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 ปรับโทษลงโทษแก่ผู้ละเมิดเป็นต้นเมื่อได้หลักอย่างนี้แล้วเพื่อให้จับจุดที่สำคัญสำคัญได้ชัดขึ้นขอให้ดูลักษณะที่ควรสังเกตเป็นพิเศษดังนี้ข้อที่หนึ่งพุทธพจน์ที่จำแนกศีลในมรคนั้นทำให้เห็นได้ว่ามร์มิใช่เป็นมรคาที่มุ่งสำหรับภิกษุสงฆ์เท่านั้นมิฉนั้นแล้ว คาจำกัดความของศีลก็จะต้องหมายถึงศีล227หรือพิกขุศลหรือบรรพชิตศีลหรืออะไรทํานองนั้นและทําให้เห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสแสดงสาวรักของศีลในแบบที่ยืดหยุ่นกินความกว้างคลุมศีลเปลีกย่อยที่แยกกระจายออกไปได้ต่างๆมากมายหลายแบบทําให้ไม่จําเป็นต้องทรงแจงระบุชื่อหมวดศีลเปลีย่อยเหล่านั้น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 สัมมาวาจาเจรจาชอบได้แก่ละมุสาวาจเว้นการพูดเท็จคลุมสัจจวาจาพูดคําจริงละปิสุณาวาจาเว้นการพูดซอเสียดคลุมสมะกัรณีวาจาพูดคําสมานสมัครีละพารุสวาจาเว้นการพูดคําหยาบคลุมสรรหาวาจา พูดคำอ่อนหวานสุภาพละสัมผัสปลาปะเว้นการพูดเพ้อเจอ้อคลุมอัถสันตาิวาจาพูดคำมีประโยชน์ในอังกุตรนิกายจตุการนิบาตมีพุทธพจน์แสดงว่าเจสุจริสีว่าได้แก่สัจจวาจาพูดจริงอภิสุณหวาจาพูดไม่ส่อเสียดสัญหาวาจา พูดอ่อนหวานมันตาภาษาพูดด้วยความคิดสำหรับมันตาภาษาอัจฉริาไขความว่าพูดโดยใช้ปัญญากำหนดบางทีแปลกันว่าพูดพอประมาณแต่โดยใจความก็เหมือนกับที่แสดงไว้ข้างต้นคือพูดคำมีประโยชน์ สสัมมากัมมันตกักระทำชอบได้แก่ละปานาติบาตเว้นการทำลายชีวิตคลุมการกระทำที่ช่วยเหลือเกื้อกูลละอาทินาทานเว้นการเอาของที่เขาม่ได้ให้คู่อยู่ที่สัมมาอาชีวะหรือทานละกาเมสุมิชาจารเว้นการประพฤติผิดในการคลุม สัทธารสันโดษสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบได้แก่ละมิฉาชีพเลี้ยงชีวิตด้วยสั ม, ม า, าชีพรวมถึงความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพที่สุจริตเช่นทำงานไม่ให้ข้างค้างอากูลไม่หมักหมมไม่ผัดเพีย้ยนไม่จับจด ไม่ยุ่งเหยิงสับสนเป็นต้นในอังคุตรณนิกายปัญจการนิบาตมีพุทธพ์แสดงอาการณียวนิชาคือการค้าขายที่อุบาสกไม่ควรประกอบห้าอย่างได้แก่ 1. สศัทธวนิชาค้าขายอาวุธพันธ์คือเครื่องประหาร 2. สัตตัทธวนิชา ค้าขายมนุษย์ 3. ม, มังสะวณ น, นิชาค้าขายเนื้อสัตว์อัตถกถาว่าเลี้ยงสัตว์ไว้ขาย 4. มัชาวณ น, นิชาค้าขายน้ำเมารวมสิ่งเสพติดทั้งหลายและหวิสวาวนิชาค้าขายยาพิษ วณนนิชาห้านี้อธกถาเรียกว่ามิจฉาวณนนิชาคือการค้าขายที่ผิดบ้างอธรรมวณนนิชาการค้าขายไม่ชอบธรรมบ้างดังที่กล่าวแล้วสำหรับคนทั่วไปท่านผ่อนลงมาเหมือนจับเอาศีลพื้นฐานนี้ส่วนที่จำเป็นอย่างยิ่งมาแสดงเป็นข้อกําหนดอย่างตามที่สุดในความประพฤติของมนุษย์เท่าที่พอจะให้สังคมอยู่กันโดยปกติสุข ให้แต่ละคนมีชีวิตที่ไม่เป็นโทษภัยหมู่ชนไม่เบียดเบียนกันจนเดือดร้อนมากนักเรียกข้อกำหนดนี้ว่าสิกขาบทหคือข้อศึกษาหรือข้อฝึกความประพฤติหรือที่นิยมเรียกกันเป็นสามัญว่าศีลห้าศีลห้านี้บางครั้งอัตถะถาเรียกว่านิจศีลคือศีลประจาหรือศีลที่ควรรักษาเป็นนิจ ได้แก่หนึ่งเว้นจากปานาติบาตคือไม่ทําลายชีวิตจับเอาสาระว่าความประพฤติหรือการดําเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผู้อื่นทางด้านชีวิตร่างกาย 2. เว้นจากอธินนาทานคือไม่เอาของที่เขามีได้ให้หรือไม่ลักขโมยจับเอาสาระว่า ความประพฤติหรือดําเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผู้อื่นทั้งด้านทรัพย์สินและกา ร, รมสิทธิ์ 3. เว้นจากการเมซุมิฉาจารคือไม่ประพฤติผิดในการมทั้งหลายจับเอาสาระว่าความประพฤติหรือการดําเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผู้อื่นทั้งด้านคู่ครองบุคคลที่รักหวงแหนไม่ผิดประเพณีทางเพศ ไม่นอกใจคู่ครองของตนไม่ทําลายสายตระกูลวงของผู้อื่น 4. เว้นจากมุสาวาตคือไม่พูดเท็จจับเอาสาระว่าความประพฤติหรือการดำเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผู้อื่นด้วยวาจาเท็จโกหกหลอกลวงตัดรอนประโยชน์หรือกแกล้งทําลาย ห้าเว้นจากสุราเมรยัยและของมืนเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคือมิเสพของมืนเมาจับเอาสาระว่าความประพฤติหรือการดำเนินชีวิตที่ปราศ จ, จากความประมาทพลั้งพลาดมัวเมาเนื่องจากการใช้สิ่งเสพติดที่ทำให้เสียสติสัมปะชัญญะความหมายและขอบเขตของศีลห้าและศีลจาพวกเดียวกันนั้น ที่จำกันไว้มากว่าตามที่อธิบายสืบสืบกันมาในชั้นหลังในที่นี้จึงขอนาพุทธพจน์มาแสดงให้พิจารณาข้าหาบุดีทั้งหลายเราจะแสดงธรรมบรรยายสสำหรับน้อมเข้ามาเทียบตัวอริยสาวกยอมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเองอยากมีชีวิตไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์ ใครจะปรองช IS able, ง today, Mother, way, can ีวิตเราผู้อยากอยู่ไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์ก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่นชอบที่พอใจแก่เราก็ถ้าเราจะปรองชีวิตผู้อื่นผู้อยากอยู่ไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์ก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่นชอบที่พอใจแก่คนอื่นเหมือนกันสิ่งใดตัวเราเองไม่ชื่นชอบไม่พอใจถึงคนอื่นเขาก็ไม่ชื่นชอบไม่พอใจเหมือนกัน สิ่งใดตัวเราเองก็ไม่ชอบไม่พอใจฉะไหนจะพึงเอาไปผูกใส่ให้คนอื่นเล่าอริยส า, าวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วยอมงดเว้นจากปาณาติบาทด้วยตนเองด้วยยอมชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากปานาติบาตด้วยย่อมกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการงดเว้นจากปานาติบาทด้วยกายสมาจารของอริยส า, าวกนั้นยอมบริสุทธ์ทั้งสมด้านอย่างนี้ อีกประการหนึ่งอริยาสาวกยอมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าถ้าใครจะถือเอาสิ่งของที่เราไม่ได้ให้ด้วยอาการขโมยก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่นชอบที่พอใจแก่เราก็ถ้าเราจะถือเอาของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้ด้วยอาการขโมยก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่นชอบที่พอใจแก่คนอื่นเหมือนกันในที่นี้ทุกข้อท่านละไวด้ดยฐานที่เข้าใจโดยในยากเดียวกันกันกบข้อแรกทั้งหมดนะครับ อีกประการหนึ่งอริยาสาวกยอมพิจารณาเห็นว่าก็ถ้าใครจะประพฤติผิดในภรรยาของเราก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่นชอบที่พอใจแก่เราก็ถ้าเราจะประพฤติผิดในภรรยาของคนอื่นก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่นชอบที่พอใจแก่คนอื่นเหมือนกันอีกประการหนึ่งอริยาสาวกยอมพิจารณาดังนี้ว่าก็ถ้าใครจะทาลายประโยชน์ของเราด้วยการกล่าวเท็จ ก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่นชอบที่พอใจแกเราก็ถ้าเราจะทำลายประโยชน์ของคนอื่นด้วยการกล่าวเท็จก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่นชอบที่พอใจแกคนอื่นเหมือนกันอีกประการหนึ่งอริยส า, าวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าถ้าใครจะยุโยงเราให้แตกจากมิตรด้วยคาสอเสียดก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่นชอบที่พอใจแกเรา ก็ถ้าเราจะยุยงคนอื่นให้แตกจากมิตรด้วยคำสอเสียดก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่นชอบที่พอใจแก่คนอื่นเหมือนกันอีกประการหนึ่งอริยสาวกยอมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าถ้าใครจะพูดจากับเราด้วยคำหยาบก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่นชอบที่พอใจแก่เราก็ถ้าเราจะพูดจากับคนอื่นด้วยคำหยาบก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่นชอบที่พอใจแก่คนอื่นเหมือนกัน อีกประการหนึ่งอริยาสาวกยอมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าถ้าใครจะพูดจากับเราด้วยถ้อยคำเพอเจ้อก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่นชอบที่พอใจแก่เราก็ถ้าเราจะพูดจากับคนอื่นด้วยถ้อยคาเพอเจ้อก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่นชอบไม่พอใจเหมือนกันสิ่งใดตัวเราเองไม่ชื่นชอบไม่พอใจถึงคนอื่นเขาก็ไม่ชื่นชอบไม่พอใจเหมือนกัน สิ่งใดตัวเราเองก็ไม่ชอบไม่พอใจฉไห น, นจะพึงเอาไปผูกใายให้คนอื่นเล่าอริยาสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วยอมงดเว้นจากการพูดเพ้อเจอรอด้วยตนเองด้วยยอมชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการพูดเพ้อเจอรอด้วยยอมกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการงดเว้นจากการพูดเพ้อเจอรอด้วยวจีสมาจารของอริยาสาวกนั้นยอมบริสุทธิ์ทั้งสมด้านอย่างนี้ ภิกษุทั้งหลายพวกเธอเข้าใจว่าอย่างไรเธอทั้งหลายเคยได้เห็นหรือได้ยินบ้างไม่ว่าบุรุษนีิละาปานาธิบาทเป็นผู้งดเว้นจากปานาธิบาทแล้วพระราชาทั้งหลายจับเข้ามาประหารจองจาในประเทศหรือกระทําการตามปัจจัยเพราะการงดเว้นจากปานาธิบาทเป็นเหตุอย่างนี้เธอทั้งหลายเคยเห็นหรือเคยได้ยินบ้างไหมทูลตอบว่า ไม่เคยเลยพระเจ้าค่าถูกแล้วภิกษุทั้งหลายแม้เราก็ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินมีแต่เขาจะประกาศการกระทาชั่วว่าคนผู้นี้ฆ่าหยิงหรือชายตายพระราชาทั้งหลายจึงจับเข้ามาประหารจองจำในรเทศหรือกระทาการตามปัจัยเพราะปานาติบาตเป็นเหตุอย่างนี้เธอทั้งหลายเคยเห็นหรือเคยได้ยินบ้างไหมทูลตอบว่า เคยเห็นเคยได้ยินและจากได้ยินต่อไปด้วยพระเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอเข้าใจว่าอย่างไรเธอทั้งหลายเคยได้เห็นหรือได้ยินบ้างไม่ว่าอุรุี้ลาอทินนาทานเป็นผู้งดเว้นจากอทินนาทานแล้วลาจากกาเมสุมิชาจารแล้วจากมุสาวาทแล้วจากสุรามรยมัชฌปมาทฐานแล้ว พระราชาทั้งหลายจับเข้ามาประหารจองจําในประเทศหรือกระทําการตามปัจใจเปราะการงดเว้นจากอธินนาทานจากกาเมสุมิชาจานจากมุสาวาทจากสุราเมระมชระชาปมาทฐานเป็นเหตุทูลตอบว่าไม่เคยเลยพระเจ้าค่ะถูกแล้วภิกษุทั้งหลายแม้เราก็ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินมีแต่เขาจะประกาศการกระทําชั่วว่า คนผู้นี้ลักทรัพย์เขามาจากบ้านหรือจากป่าคนผู้นี้ประพฤติละเมิดในสตรีหรือในบุตรีของผู้อื่นคนผู้นี้ทำลายประโยชน์ของชาวบ้านห nope รือลูกชาวบ้านด้วยการกล่าวเท็จคนผู้นี้ร่ำสุราเมรัยแล้วฆ่ายิงหรือชายตายคนผู้นี้ร่ำสุราเมรัยแล้วลักทรัพย์เขาจากบ้านหรือจากป่าคนผู้นี้ร่ำสุราเมรัยแลวประพฤติละเมิด MM ในสตรีหรือบุตรีของผู้อื่นคนผู้นี้รํำสุราเมรยัยและทำลายประโยชน์ของชาวบ้านหรือลูกชาวบ้านด้วยการกล่าวเท็จพระราชาทั้งหลายจึงจับเข้ามาประหารจองจำในรเทศหรือกระทำการตามปัจใจพระอาทินนาทานกาเมสุมิชาจารย์มุศาวาสสุราเมรยัยเป็นเหตุอย่างนี้เธอทั้งหลายเคยเห็นหรือเคยได้ยินบ้างไหม ทูนตอบว่าเคยเห็นเคยได้ยินและจากได้ยินต่อไปด้วยพระเจ้าค่ะอาชญากรรมที่ร้ายแรงแทบทั้งหมดเป็นเรื่องของการละเมิดศิทธห้5ในสังคมที่มากด้วยการสังหารผลานชีวิตการปองร้ายการทำร้ายกันการลักขโมยล้นแย่งชิง การทำความผิดทางเพศมีคดีฆาตะกรรมโจรกรรมการข่มขืนหลอกลวงการเสพของมึนเมาและสิ่งเสพติดตลอดจนการก่อปัญหาและอุบัติเหตุต่างๆเนื่องมาจากของมึนเมาและสิ่งเสพติดเหล่านั้นระบาดแพร่หลายทั่วไปชีวิตและทรัพย์สินไม่ปลอดภัยจะอยู่ไหนหรือไปที่ไหนก็ไม่มีความมั่นใจเต็มไปด้วยความห่วงใยวิตกกังวล จิตใจวาดภาวาบ่อยๆผู้คนพบเห็นกันแทนที่จะอุ่นใจก็หวาดระแวงกันอยู่กันไม่เป็นปกติสุขสุขภาพจิตของประชาชนย่อมเสื่อมโทรมยากที่จะพัฒนาคุณภาพและสมรรถภาพของจิตในเวลาเดียวกันสังคมเช่นนั้นก็ไม่เป็นสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลสำหรับการสร้างสรรค์สิ่งดีงามและการพัฒนาใด ราหมัววุ่นวายระสาระสายยุ่งแต่กับการแก้ปัญหาและมีแต่กิจกรรมที่บ่อนทำลายสังคมให้เสื่อมโทรมลงไปโดยในยะานี้การขาดศีลห้าจะเนื่องมาจากเหตุใดก็ตามจึงเป็นมาตรฐานวัดความเสื่อมโทรมของสังคมส่วนสภาพพฤติกรรมและการดำเนินชีวิตที่ตรงข้ามจากนี้นั่นแหละคือการมีศีลห้าดังนั้นศีลห้า จึงเป็นเกณฑ์มาตรฐานอย่างตามที่สุดของความประพฤติของมนุษย์สำหรับรักษาสภาพแวดล้อมทางสังคมให้อยู่ในภาวะเกื้อกูลเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตที่ดีงามและการพัฒนาที่สูงขึ้นไปพระอัทิตกถาจารย์ได้ประมวลหลักเกณฑ์บางอย่างไว้สำหรับกำหนดว่า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 ต่อเมื่อกระทําการครบองค์ทั้งหมดของการละเมิดดังนี้สินข้อหนึ่งปานาติบาตมีองค์ห้าคือ 1. สัตว์มีชีวิต 2. รู้อยู่ว่าสัตว์มีชีวิต 3. จิตคิดจะฆ่า 4. มีความพยายาม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 ห้าักของได้ด้วยความพยายามนั้นสินข้อสามกาเมสุมิฉาจารมีองค์ีคือหนึ่งอคัมณียวัตถุได้แก่สตรีหรือบุรุษที่ไม่ควรละเมิดสองจิตคิดจะเสพสาม มีความพยายามในการเสพ 4. ่ยังมักคืออวัยวะสืบพันธุ์ให้ถึงกันสีลข้อสมุสาวาามีองค์สี่คือหนึ่งเรื่องไม่จริง 2. จิตคิดจะกล่าวให้คลาดเคลื่อนสา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 และตามผลที่จะก่อให้เกิดการกระทําผิดพลาดชั่วร้ายในยุคหลังต่อมาปราชได้ น, นำเอาธรรมะบางข้อที่เข้าคู่กันกันกบศิกษาบทหรือศิลหานั้นมาจัดวางเป็นหมวดขึ้นสำหรับแนะนำให้ขรือหัดปฏิบัติคู่กันไปกับเบญจศีลโดยเรียกชื่อว่าเบญจธรรม หรือเบญจ ก, กัลยานธรรมข้อธรรมะที่นำมาจัดนั้นก็เดินตามแนวของหลักที่เรียกว่ากุศ ล, ลกรรมมบทนั่นเองแต่ในการเลือกข้อธรรมะมาจัดเข้ามีความแตกต่างกันอยู่บ้างโดยเฉพาะในแง่ของข้อธรรมะที่มีความหมายกว้างแคบกว่ากันเวลานี้ท่านหนุนให้ชาวพุทธคิดถึงการที่จะพัฒนาตนจากการถือศีลห้าขึ้นไปถือหลักกุศ ล, ลกรรมบทสิ ที่บางทีเรียกว่าโสจัยยะบ้างธรรมจริยาบ้างคงจะดีทีเดียวเพราะมาตามหลักแท้ๆมีองค์ประกอบครบทั้งศีลจิตและปัญญาจะเข้าทางของมรดกโดยตรงหัวข้อของเป็นธรรมนั้นเรียงตามลำดับให้เข้าคู่กับศีลห้าคือ 1. เมตตาและกรุณา สสัมมาอาชีวะบางท่านเลือกเอาหรือรวมเอาทานเข้าด้วย 3. กามสังวรคือความรู้จักยับยัง้งควบคุมตนในทางการมารมหรือเรื่องรักใคร่ไม่ให้ผิดศีลธรรมบางท่านเลือกเอาสทารสันโดดคือความยินดีด้วยคู่ครองของตน 4. ส, สัจจะหสติสัมปัชัญญะบางท่านเลือกเอาอั ป, ปมาธะคือความไม่ประมาทซึ่งได้ความเกือบไม่ต่างกันสำหรับข้อสทาราสันโดดที่เป็นข้อปฏิบัติตรงข้ามกับการเมสุมิชฌาจารมีข้อสังเกตที่ควรกล่าวไว้ คือสตารสันโดษแปลว่าความพอใจด้วยภรรยาของตนว่าด้วยสาระก็คือความยินดีเฉพาะคู่ครองของตนแม้มองกว้างๆหลักการจะเปิดให้เกี่ยวกับจำนวนของคู่ครองมีได้กําหนดไว้ตายตัวว่าคนเดียวหรือกี่คนสุดแต่ตกลงยินยอมกันโดยสอดคล้องกับประเพณีและบัญญัติของสังคม โดยถือสาระว่าไม่ละเมิดต่อคู่ครองหรือของห่วงห้ามที่เป็นสิทธิของผู้อื่นไม่ละเมิดฝ่าฝืนความสมัครใจของคู่กรณีและไม่นอกใจคู่ครองของตนเมื่อพร้อมใจกันและเป็นไปโดยเปิดเผยไม่ละเมิดและไม่เสียความซื่อสัตย์ต่อกันแล้วก็ไม่จัดเป็นเสียแต่กรณนั้นก็ตามเมื่อว่าโดยนิยม ท่านยกย่องการมีคู่ครองแบบผัวเดียวเมียเดียวซึ่งมีความรักใไร้พักดีต่อการมั่นคงยั่งยืนมีความมั่นคงภายในครอบครัวลูกหลานก็มีความร่มเย็นเป็นสุขและอบอุ่นใจดังชีวิตของคู่อริยาสาวกน ก, กุลบิดาและน ก, กุลมารดาที่เป็นแบบฉบับบันทึกไว้ในพระสูตรเป็นตัวอย่างสามีภรยาคู่นี้เป็นอริยะบุคคลขั้นโสดาบันและเป็นเอตตัทัคคะ ในทางสนิบสนมคุ้นเคยกับพระพุทธเจ้าทั้งสองท่านมีความประสานสอดคล้องด้วยความรักพักดีและความซื่อสัตย์ซึ่งนำไปสู่ความกลมกลืนกันโดยคุณธรรมจนปรารถนาจะพบกันทั้งชาตินี้และชาติหน้าดังความที่บันทึกไว้ซึ่งน ก, กุ ล, ลบิดาข้ารือหาบดีได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ นับแต่เวลาที่ตระกูนนำน ก, กูลมารดาคหาปตานีซึ่งยังเป็นสาวมาเพื่อข้าพระองค์ผู้ยังเป็นหนุ่มข้าพระองค์มิได้รู้สึกจะประพฤตินอกใจน ก, กูลลมารดาคหาปตานีเลยแม้ด้วยใจที่ไหนจะประพฤตินอกใจด้วยกายข้าพระองค์ทั้งสองปรารถนาพบกันทั้งในปัจจุบันและในสัมปรายภพแม้น ก, กูลมารดาคหาปตานีก็ได้กราบทูลความอย่างเดียวกัน สทาราสันโดษนี้ท่านจัดเป็นพรหมจรรย์อย่างหนึ่งแสดงว่าเป็นความประพฤติและการดาเนินชีวิตที่ได้รับยกย่องอย่างสูงในพระพุท ธ, ธศาสนาท่านว่าเป็นเหตุอย่างหนึ่งที่ช่วยไม่ให้ตายแต่ยังหนุ่มสาวดังความว่าพวกเราไม่ประพฤตินอกใจภรรยาและภรรยาก็ไม่ประพฤตินอกใจพวกเราพวกเราประพฤติพรหมจรรย์ในหญิงอื่นนอกจากภรรยาของพวกเรา ฉะ น, นั้นพวกเราจึงไม่มีใครตายตั้งแต่ยังหนุ่มสาวในเรื่องนี้แม้แต่พระเวสสันดรก็ขอพอรให้พระองค์เองเป็นผู้มีสธาราสันโดษภาษิตต่อไปนี้ถือได้ว่าเป็นบทสรุปศิล ผู้ใดสำรวมด้วยกายวาจาใจไม่กระทําความชั่วใดๆไม่พูดหลอกแหละเราเห็นแก่ตนคนเช่นนั้นเรียกว่าผู้มีศีลจากกุตการนิกายจาตกตะกัและพุทธพจน์ต่อไปนี้ก็ถือได้ว่าเป็นสาระของศีลจงสร้างความเกษมในปวงสัตว์ จากมัชิมะ น, นิกายมูลปันนาตอักธกราอธิบายว่าความเกษมหมายถึงอภัยความเกื้อกูลเมตตาและว่าข้อความนี้หมายถึงความบริสุทธิ์ทางมโนวทวาร ศีลเพื่อเสริมความดีงามของชีวิตและสังคมหลักคำสอนในสินค้าและกสูตรทั้งหมดพระอัฏถกถาจารย์กล่าวว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ให้เป็นขี่หิวิไนคือวิไนของขฤรืหัสหรือศีลสำหรับชาวบ้านหรือศีลสำหรับประชาชนดังสาระที่สรุปได้ดังนี้ หมวดที่หนึ่งปลอดความชั่วสิบสีประการกลุ่มที่หนึ่งล ก, กรรมมกิเลสข้อเสื่อมเสียของความประพฤติสี่อย่างได้แก่ 1. ปานาติบาตสองอธินาทานสาการเมสุมิชาจาร์ 4. มุสาวาทกลุ่มที่สองไม่กระทำบาปกรรมโดยสีสถาน คือไม่ทำกรรมชั่วด้วยลูกแก่ 1. จฉันทากติลำเอียงเพราะชอบ 2. โทสาคติลำเอียงเพราะชัง 3. โมหาคติลำเอียงเพราะเคา 4. พยาคติลำเอียงเพราะกลัวกลุ่มที่สไม่เสพอบายามุข คือช่องทางเสื่อมเสียหรือหายหมดไปแห่งโภคะอกการคือ 1. ติดสุราและของมึนเมา 2. ติดเที่ยวกลางคืน 3. ติดเที่ยวดูการเล่น 4. ติดการพนัน 5. ติดคบเพื่อนชั่ว 6. เกยียดคร้านการงาน หมวดที่สองเตรียมทุนชีวิตสองด้านด้านที่หนึ่งรู้จักมิตรแท้มิตรเทียมซึ่งควรครบและไม่ควรครบได้แก่มิตรเทียมสี่จำพวกคือคนปอกลอกคนดีแต่พูดคนหัวประจบคนชวนชิบหายมิตรแท้สี่จำพวกได้แก่มิตรอุปการะมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ มิดแนาประโยชน์มิดมีน้ำใจเตรียมทุนชีวิตด้านที่สองเก็บรักษาสะสมทรัพย์เหมือนดังพึ่งขยันรวบรวมน้ำเกสรดอกไม้สร้างรังหรือเหมือนตัวปลวกก่อสร้างจอมปลวกและพึงจัดสรรทรัพย์ใช้สอยและผูกมิดดโดยแบ่งเป็นสี่ส่วนคือกินใช้เลี้ยงดูคนและทำประโยชน์หนึ่งส่วน ทำทุนประกอบการงานสองส่วนเก็บไว้ใช้คราวจำเป็นหนึ่งส่วนหมวดที่สามปกแผ่ทิศทั้งหทิศห6ปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลที่สัมพันธ์กับตนให้ถูกต้องตามฐานะทั้งหทิศที่หนึ่งบุตริดาบำรุงมาดาบิดา ผู้เป็นเหมือนทิศเบื้องหน้าโดยท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบช่วยทำกิจธุระการงานของท่านดำรงวงศกุลประพฤตินตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาทเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่านมานดาบิดาอนุเคราะห์บุตรธิดาดังนี้ห้ามกันจัดความชั่วฝึกอบรมให้ตั้งอยู่ในความดี ให้ศึกษาศิลปะวิทยาเป็นธุระในการมีคู่ครองที่สมควรมอบทรัพ์สมบัติให้เมื่อถึงโอกาสทิศ ท, ที่สองสิทธิ์บำรุงครูอาจารย์ผู้เป็นเหมือนทิศเบื้องขวาโดยลุกรับแสดงความเคารพเข้าไปหาเช่นช่วยรับใช้ปรึกษาซักถามรับคำแนะนำ ตั้งใจฟังและรู้จักฟังรณิบัตรช่วยบริการเรียนศิลปะวิทยาโดยเคารพเอาจริงเอาจังถือเป็นกิจสำคัญครูอาจารย์อนุเคราะห์สิทธิ์ดังนี้แนะนำฝึกอบรมให้เป็นคนดีสอนให้เข้าใจแจ่มแจ้งสอนศิลปะวิทยาให้สิ้นเชิงยกย่องให้ปรากฏในหมู่พวก สร้างเครื่องคุ้มภัยในสารทิศคือสอนให้เอาไปใช้งานเลี้ยงชีพได้จริงทิศที่สามสามีบำรุง o ภรรยาผู้เป็นเหมือนทิศเบื้องหลังโดยยกย่องให้เกียรติสมทานน้าภรรยาไม่ดูหมิน่นไม่นอกใจมอบความเป็นใหญ่ในงานบ้านหาเครื่องแต่งตัวมาให้เป็นของขวัญตามโอกาส ภรรยาอนุเคราะห์สามีดังนี้จัดงานบ้านให้เรียบร้อยสง่งเคราะห์ญาติมิตรทั้งสองฝ่ายด้วยดีไม่นอกใจรักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้ขยันช่างจัดช่างทมเอางานทุกอย่างทิศที่สบำรุงมิตรสหายผู้เป็นเหมือนทิศเบื้องซ้าย โดยเผื่อแผ่แบ่งปันพูดอย่างรักกันช่วยเหลือเกือ้อกูลกันมีตนเสมอร่วมสุขร่วมทุกข์กันซื่อสัตย์จริงใจต่อกันมิสหายอนุเคราะห์ตอบดังนี้เมื่อเพื่อนประมาทช่วยรักษาป้องกันเมื่อเพื่อนประมาทช่วยรักษาทรัพย์สมบัติของเพื่อนในคราวมีภัยเป็นที่พึ่งได้ ไม่ละทิ้งในยามทุกยากนับถือตลอดวงญาติของมิตรทิศที่หนายบำรุงคนรับใช้และคนงานผู้เป็นเหมือนทิศเบื้องล่างโดยจัดงานให้ทำตามความเหมาะสมกับกำลังเพศวัยและความสามารถให้ค่าจ้างรางวัลสมควรแก่งานและความเป็นอยู่ จัดสวัสดิการดีมีช่วยรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข้เป็นต้นมีอะไรได้พิเศษมาก็แบ่งปันให้ให้มีวันหยุดและพักผ่อนยอนใจตามโอกาสคนรับใช้และคนงานอนุเคราะห์นายดังนี้เริ่มทำงานก่อนเลิกงานทีหลังเอาแตกของที่นายให้ทำการงานให้เรียบร้อยและดียิ่งขึ้น นำความดีของนายงานและกิจการไปเผยแพร่ทิศ ท, ที่หคขรหัดบำรุงพระสงฆ์ผู้เป็นเหมือนทิศเบื้องบนโดยจะทำสิ่งใดก็ทำด้วยเมตตาจะพูดสิ่งใดก็พูดด้วยเมตตาจะคิดสิ่งใดก็คิดด้วยเมตตาตอนรับด้วยความเต็มใจ อุปธรรมด้วยปัจจัยสี่พระสงค์ย่อมอนุเคราะรห์คฤรือหัดดังนี้ห้ามปรามสอนให้เว้นจากความชั่วแนะนำสั่งสอนให้ตั้งอยู่ในความดีอนุเคราะห์ด้วยน้าใจงามให้ได้ฟังได้รู้สิ่งที่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยฟังชี้แจงอธิบายสิ่งที่เคยฟังแล้วให้เข้าใจแจ่มแจ้งบอกทางสวรรค์ให้ คือสอนวิธีดำเนินชีวิตให้ประสบความสุขสินเพื่อเสริมความดีงามของชีวิตและสังคมหมวดที่3หัวข้อที่สองสังหาวัตถุสบํบำเพ็ญหลักการสงเคราะห์เพื่อยึดเหนียวใจคนและประสานสังคมสีประการ คือ 1. ทานเพื่อแผ่แบ่งปัน 2. ปิยาวาจาพูดอย่างรักกัน 3. อัตจริยาทำประโยชน์แก่เขา 4. ส, สมานัตตาเอาตัวเข้าสมาน หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสัมมาอาชีวะดังเรียกล่าแล้วว่าอาชีวะเป็นหลักการขั้นศีลที่มักถูกมองข้ามไปเสียในที่นี้จึงเห็นควรนำหลักคำสอนเกี่ยวกับอาชีวะมาแสดงไว้พอเป็นแนวทางของความเข้าใจในด้านหลักการทั่วไปเรื่องอาชีวะมีเนื้อหาที่กวนแก่การวิจารณ์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 เจือจานหรือเพิ่มทรัพย์ให้แก่ชนผู้ไร้ทรัพย์หมายความว่าคอยดูแลไม่ให้มีคนขัดสนยากไร้ในแผ่นดินพูดอีกอย่างหนึ่งความสําเร็จในด้านอาชีวะหรือเศรษฐกิจของผู้ปกครองพึงวัดด้วยความไม่มีคนอดอยากยากไร้มิใช่วัดด้วยการมีทรัพย์เต็มพระคลังหลวงหรือเต็มล้นอยู่หน้าที่ใดที่หนึ่งเมื่อได้เกณฑ์อย่างตามนี้แล้ว ไมปรากฏว่าท่านจะรังเกียจในเรื่องที่จะมีทรัพย์มากน้อยอีกเท่าใดหรือว่าจะมีเท่าเทียมกันหรือไม่และเนื่องด้วยปัจจัยอื่นอื่นอีกเช่นในข้อสองที่จะกล่าวต่อไปข้อสังเกตที่สองความมีปัจจัยสี่พ่อแก่ความต้องการของชีวิตหรือแม้มีวัตถุพร่งพร้อมบริบูรณ์ก็ตาม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 ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ข้อสังเกตที่สคํคำว่าสัมมาชีพในทางธรรมะมีใช่หมายเพียงการใช้แรงงานให้เกิดผลผลิตแล้วได้รับปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีพเป็นผลตอบแทนมาโดยชอบธรรมเท่านั้นแต่หมายถึงการทำหน้าที่ความประพฤต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 ขอโภชนะอันประณีตหรือแม้แต่กับข้าวหรือข้าวสุกมาเพื่อตอนเองแล้วฉันก็เป็นวิบัติแห่งอาชีวะเอาธรรมะมาทำเป็นดังสินค้าก็ผิดจรรยาบรรณนักบวชแม้แต่เพียงแสดงธรรมโดยคิดให้เขาชอบแล้วอาจได้อะไรอะไรก็เป็นธรรมเทศนาที่ไม่บริสุทธิ์หรือเพียงแต่การให้ของเขามีลักษณะเป็นการให้ค่าตอบแทน ก็ไม่เป็นการสมควรดังตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดกับพระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปบินธบาตส่งเข้าไปหยุดประทับยืนในเขตไ ร, รนาของรามผู้หนึ่งรามกราบทูลว่าข้าพระเจ้าไถวานแล้วจึงได้กินแม้ท่านก็ทรงไถวานและบริโภคเถิดพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าพระองค์ก็ทรงไถวานแล้ว จึงบริโภคเหมือนกันเมื่อพรหมณ์ไม่เข้าใจและแต่งคถาทูลถามกลับมาพระองค์ก็ตรัสตอบเป็นคำร้อยกรองชี้แจงการไถหวานของพระองค์ที่มีผลเป็นนามตะพรามเห็นชอบด้วยเกิดความเลื่อมใสจึงนำเอาอาหารเข้ามาถวายพระพุทธเจ้าไม่ทรงรับโดยตรัสว่าไม่ควรบริโภคโชนะที่ขับกล่อมไดมา ที่มาอันชอบธรรมและบริสุทธิ์แท้จริงของปัจจัยเครื่องยังชีพสำหรับรพระภิกษุก็คือการที่ชาวบ้านมองเห็นคุณค่าของธรรมะและเห็นความจำเป็นที่จะต้องช่วยให้บุคคลผู้ทำหน้าที่ะดุงธรรมมีชีวิตอยู่และทำหน้าที่นั้นต่อไปจึงเมื่อรู้ความต้องการอาหารของสมณะเหล่านั้นอันแสดงออกด้วยการเที่ยวบินธบดยสงบแล้วก็นำอาหารไปมอบให้ด้วยความสมัครใจของตนเอง ที่ผู้ให้หรือผู้ถวายนั้นได้รับผลคือการชำระจิตใจของตนให้ผ่องใสและชักนำจิตของตนให้เป็นไปในทางสูงขึ้นด้วยการที่ตระหนักว่าตนได้ทําสิ่งที่ดีงามช่วยสนับสนุนผู้บําเพ็ญธรรมและมีส่วนร่วมในการผดุงธรรมเรียกสั้นๆว่าทําบุญหรือได้บุญฝ่ายภิกษุผู้รับปัจจัยทานนั้น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 โดยทำงานให้มากที่สุดจึงเป็นไปได้สำหรับสมณะโดยที่แรางงานในการทำหน้าที่กับอาชีวะตั้งอยู่คนละฐานอย่างไม่มีจุดบรรจบที่จะให้มีการยกเอาปริมาณแรางงานขึ้นเปรียบเทียบเพื่อเรียกร้องสิทธิในด้านอาชีวะได้เลยและเมื่อสมณะยังปฏิบัติอยู่ในหลักการนี้ระบบของสังคมก็ไม่อาจครอบงาสมณะได้เช่นกัน หลักการเท่าที่กล่าวมานี้ทั้งหมดมีความมุ่งหมายที่สําคัญคือการมีชีวิตแบบหนึ่งที่เป็นอิสระจากระบบทั้งหลายของสังคมหรือมีชุมชนอิสระชุมชนหนึ่งไว้ทําหน้าที่ด้านธรรมะที่ต้องการความบริสุทธิ์สิ้นเชิงแก่ชาวโลกอีกประการหนึ่งมองในแง่ของธรรมะการใช้แรงงานในทางผลิตไม่ว่าจะเป็นวัตถุ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 แรงงานผลิตจำพวกนี้ส่วนมากถือได้ว่าเป็นความสูญเปล่าและการผลิตนั้นก็มีค่าเป็นการทำลายความเจริญในการผลิตอย่างนี้โน้มไปในทางที่ทำให้มนุษย์ต้องทุ่มเททุนและแรงงานอย่างมากมายยิ่งยิ่งขึ้นในด้านที่จะป้องกันแก้ไขผลในทางทำลายเหล่านั้นที่เกิดจากการกระทำของตนเองส่วนแรงงานที่เกื้อกูลแก่ชีวิตและสังคม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 ซึ่งเป็นสัตว์ที่เหนือศาสตร์การยอมรับความจริงเช่นนี้แหละจะเป็นความดีงามและความสมบูรณ์แห่งประโยชน์ของเศรษฐศาสตร์และละทัทธิเ ศ, ษศรษฐกิจเหล่านั้นเองข้อสังเกตที่สดังเด็กล่าวแล้วทางธรรมะไม่สู้สนใจ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 และใช้ทรัพ์ในทางที่เกิดโทษโดยในยะนี้ความชั่วร้ายที่เกี่ยวกับทรัพ์สมบัติในขั้นต้นจึงมีสามอย่างคือการสแสวงหาทรัพโดยไม่ชอบธรรมการครอบครองทรัพไว้โดยไม่ทําให้เกิดประโยชน์และการใช้จ่ายทรัพ์ในทางที่เป็นโทษอย่างไรก็ดีแม้จะสแสวงหาทรัพ์โดยชอบธรรมและใช้จ่ายทรัพให้เป็นประโยชน์แล้ว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 และขอบเขตแห่งคุณค่าหรือประโยชน์นั้นมองเห็นตระหนักถึงช่องทางที่ซั์จะเป็นคุณและเป็นโทษมีจิตใจเป็นอิสระไม่เป็นทาตแต่เป็นนายของซัพ์ให้ซัพ์มีเพื่อรับใช้มนุษย์เป็นอุปกรณ์สำหรับทำประโยชน์และสิ่งดีงามช่วยผ่อนเบาทุกขทาให้มีความสุขมิใช่กลายเป็นเหตุเพิ่มความทุกข์ทาให้เสียคุณภาพจิต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 ที่ถูกต้องตามหลักธรรมสรุปได้ดังนี้ 1. การหาแสวงหาทรัพย์ด้วยชอบธรรมไม่ข่มเหงเบียดเบียน 2. การใช้ขั้นนี้มีการวางแผนซึ่งถือว่ารวมทั้งการเก็บรักษาและการเป็นอยู่พอดีไว้ด้วยในตัวแบ่งเป็นสามหัวข้อ ได้แก่เลี้ยงตนและคนที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบให้เป็นสุขเพื่อแผ่แบ่งปันและใช้ทรัพย์ทำสิ่งดีงานเป็นประโยชน์เป็นบุญรวมทั้งใช้เผยแผ่ส่งเสริมธรรมะ 3. การมีปัญญาที่ทำให้เป็นอิสระไม่ลุ่มหลวงหมกมุ่นมัวเมากินใช้ทรัพย์อย่างรู้เท่าทันเห็นคุณโทษ มีจิตใจเป็นอิสระด้วยนิสรณ ะ, ะปัญญาและอาศัยทรัพย์ได้โอกาสที่จะพัฒนาจิตปัญญายิ่งขึ้นไปขอยกพุทธพจน์ที่ตรัสสอนในเรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์มาดูเป็นตัวอย่างภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลก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 ธรรมะมีโทษไม่มีโทษธรรมะสามธรรมะประณีธรรมะที่เปรียบได้กับของดำหรือของขาวนี้เรียกว่าบุคคลตาบอดบุคคลตาเดียวเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้มีดวงตาชนิดที่ช่วยให้ได้ภพกรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทำภพกรัพย์ที่ได้แล้วให้เพิ่มพูน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 หรือทำโพกกระซับที่ได้แล้วให้เพิ่มพูนอีกทั้งมีดวงตาชนิดที่ช่วยให้รู้จักธรรมะที่เป็นกุศลเป็นอกุศลธรรมะมีโทษไม่มีโทษธรรมะสามธรรมะประณีตธรรมะที่เปรียบได้กับของดำหรือของขาวนี้เรียกว่าบุคคลสองตาคนตาบอดตาเสียมีแต่กาลีเคราะร้ายทั้งสองด้าน คือโพกทระพ์อย่างที่ว่าก็ไม่มีคุณความดีก็ไม่ทำอีกคนหนึ่งที่เรียกว่าตาเดียวเที่ยวแสวงหาแต่ทรัพย์ถูกทมก็เอาผิดธรรมก็เอาไม่ว่าจะเป็นการลักขโมยคดโกงหรือโกหกหลอกลวงก็ได้เขาเป็นคนสวยกามที่ฉลาดสะสมทรัพย์แต่จากนี้ไปนรกคนตาเดียวย่อมเดือดร้อน ส่วนคนที่เรียกว่าสองตาเป็นคนประเสริฐย่อมแบ่งปันทรัพย์ซึ่งได้มาด้วยความขยันจากกองโพคะที่ได้มาโดยชอบธรรมออกเผื่อแพรมีความคิดสูงประเสริฐมีจิตใจแน่วแน่ย่อมเข้าถึงสถานะดีงามที่ไปแล้วไม่เศร้าโศกพึงหลีกเว้นคนตาบอดและคนตาเดียวเสียให้ไกลคนครคบหาแต่คนสองตาผู้ประเสริฐ ตัวอย่างคําสอนตีเตือนการสั่งสมครอบครองทรัพย์สมบัติไว้โดยไม่ใช้ให้เป็นประโยชน์เช่นมีเรื่องว่าคราวหนึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จมาเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่อย่างวันพระพุทธเจ้าจึงตรัสถามว่าพระองค์เสด็จมาจากไหนแต่อย่างวันพระเจ้าประเสนที่โกศลก็กราบทูลว่ามีกหาบดีเป็นเศรษฐีในพระนครหลวงถึงแก่กรรม พระองค์จึงให้คนทราบสมบัติที่ไม่มีบุตรรับมรดกเข้าไปไว้ในพระราชวังแล้วสเสด็จมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าปเปเสนที่โกศลกราบทูลถึงจำนวนทรัพย์ที่ขนไปวังว่าเฉพาะเหรียญทองอย่างเดียวมีถึง8ล้านส่วนเรียนเงินเป็นต้นไม่ต้องพูดถึงแต่ตัวขหาพอดีนั้นเมื่อยังมีชีวิตอยู่บริโภคอาหารเพียงปลายข้าวกับน้าส้มนุ่งห่มผ้าเนื้อหยาบ ตัดเป็นสามชิ้นเย็บติดกันยานพาหนะก็ใช้รถเก่าๆกันร่มทำด้วยใบไม้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอย่างนี้แหละมหาบุพพิอศอาสัตบุรุษได้โภคะอันโอลานแล้วยอมมีเลี้ยงตนให้เป็นสุขให้เ อ, อิบอิ่มมีเลี้ยงมารดาบิดาบุตรภรรยาคนรับใช้กรรมกรคนงานมีสหายผู้ร่วมงานให้เป็นสุขให้ อ, อบอิ่ม ไม่ประดิษฐานทักกินาอันส่งผลสูงในสมณพราหมณ์ทั้งหลายซึ่งอำนวยอารมณ์ดีงามมีผลเป็นสุขเป็นไปเพื่อสวรรค์โภคะของเขาที่ไม่ได้กินใช้โดยชอบเหล่านั้นราชาทั้งหลายย่อมริบเอาไปซสียบ้างโจนย่อมลักไปเสียบ้างไฟย่อมไหม้ซสียบ้างน้ำย่อมพัดพาไปเสียบ้างทายาตอปรีย่อมเอาไปเสียบ้างโภคะเหล่านั้นของเขา ซึ่งมิได้กินใช้โดยชอบย่อมหมดสิ้นไปเปล่าไม่ถึงการบริโภคเปรียบเหมือนสาน้ำในถินอมนุษย์ทั้งที่มีน้ำใสยเย็นจือสนิทกระ จ, าจ่างแจ๋วมีท่าเรียบราบหน้าเรื่นรมคนจะตักเอาก็ไม่ได้จะดื่มจะอาบจะทำปรารถนาก็ไม่ได้ส่วนสัตว์บุรุษได้โภคะอันโอฬาแล้วย่อมเลี้ยงตัวให้เป็นสุขให้ อ, อบอิ่ม เลี้ยงมารดาบิดาบุตรภรรยาคนรับใช้กรรมกรคนงานมิสหายผู้ร่วม ง, งานให้เป็นสุขให้เอิบอิ่มยอมประดิษฐานทกินาอันส่งผลสูงในสมณพราหมณ์ทั้งหลายซึ่งอำนวยอารมณ์ดีงามมีผลเป็นสุขเป็นไปเพื่อสวรรค์โภคะของเขาที่ได้กินใช้โดยชอบเหล่านั้นราชาทั้งหลายก็ไม่ขนเอาไปโจรทั้งหลายก็ลักไม่ได้ไฟก็มีได้ไม น้ำก็ไม่ได้พัดพาไปทายาทอปรีก็เอาไปไม่ได้โภคะเหล่านั้นของเขาซึ่งกินใช้อยู่โดยชอบย่อมถึงการบริโภคไม่หมดสิ้นไปเปล่าเปรียบเหมือนสระน้ําไม่ไกลหมู่บ้านหรือนิคมมีน้ํใสยเย็นเจือสนิทประจางแจ๋วมีท่าราบเรียบน่าเรื่นรมคนจะตักไปก็ได้จะดื่มก็ได้จะอาบก็ได้จะทําตามปรารถนาก็ได้ คนชั่วได้ทรั์แล้วตัวเองก็ไม่กินใช้ทั้งก็ไม่ให้แก่ใครเหมือนดังน้ำอยู่ในถิ่นอมนุษย์จะใช้ดื่มก็ไม่ได้คนยอมอดส่วนวินยูชนมีปัญญาได้โภคะแล้วยอมกินใช้และทำกิจคืองานของตนและการกุศลช่วยผู้อื่นเขาเป็นคนเลิศล้ำได้เลี้ยงดูหมู่ญาติแล้วไม่มีใครติเตียนได้ยอมเข้าถึงถิ่นสวรรค์ มหาบุพพิสูเหล่าสัตว์คือหมายถึงมนุษย์จำพวกที่ได้ภพกรัพย์ยิ่งใหญ่โอฬารแล้วไม่มัวมเมาไม่ประมาทไม่หลงไหลในกามและทั้งไม่ปฏิบัติผิดร้ายต่อสัตว์คือมนุษย์ทั้งหลายนั้นมีอยู่ในโลกเพียงจํานวนน้อยส่วนเหล่าสัตว์จำพวกที่ได้โภพกรัพย์ยิ่งใหญ่โอฬารแล้วมัวมเมาประมาทหลงไหลในกามและทั้งปฏิบัติผิดร้าย ต, ต่อสัตว์ทั้งหลายนั่นแหะ มีอยู่ในโลกจำนวนมากมายกว่าโดยแท้ท่านเปรียบคนที่เก็บรวบรวมรัย์ไว้แล้วไม่ใช้ไม่แบ่งปันว่าเป็นมนนกชนิดหนึ่งเรียกว่าไมฮ ก, กะซึ่งคอยเฝ้าต้นเลียบที่มีผลสุกแล้วก็ร้องว่าไมหังไมหังแปลว่าของข้าของข้าเมื่อนกหมู่อื่นๆพากันบินมาจิกกินผลเลียบแล้วบินไป นกไมฮกะก็ได้แต่ร้องเพอ้ออยู่นั่นเองในคัมภีร์ต่างๆมีเรื่องราวตำหนิตีเตียนคนตรนีที่เก็บสะสมทรัพ์ไว้โดยไม่ใช้ไม่ช่วยใครโดยเฉพาะการทรมานเปลี่ยนใจเสจถีที่มีพฤติการเช่นนั้นมากหลายเรื่องเป็นการแสดงมติของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการครอบครองและกินใช้ทรั์เป็นอย่างดี เศรษฐกิจจะดีถ้ามีศีลในเมืองไทยนี้มีการขอศีลให้ศีลรับศีลเป็นประเพณีที่รู้กันเป็นสามัญเมื่อรับศีลที่เรียกเป็นภาษาทางการว่าสมท า, านเบญจศีลจบพระผู้ให้ศีลก็กล่าวสรุปด้วยคําแสดงอนิสงส์ศีลว่าศีเล น, นะสุขติงมีใจความว่า ด้วยศีลจะได้ไปสุขติจะเกิดโภคะสัมปทาคือความสมบูรณ์พร่างพร้อมแห่งโภคะและจะถึงนิพพานสาวระที่เกี่ยวข้องในที่นี้คือตอนที่ว่าศีลทำให้เกิดทรัพย์สินเงินทองพร่างพร้อมหรือพูดง่ายๆว่าทำให้เศรษฐกิจดีแม้ว่าคถาแสดงอนิสงส์ศีลนี้จะเป็นของเรียบเรียงขึ้นในยุคหลังไม่พบในพระไตรปิฎก และอธักาธกถาดีกาทั้งหลายแต่เมื่อกล่าวกันมาเป็นแบบแผนก็ควรนํามาพูดไว้พอเป็นเรื่องแทรกสั้นๆหลักการใหญ่ของศีลก็คือเป็นเครื่องจัดตั้งวางพื้นฐานเตรียมสิ่งแวดล้อมให้เรียบร้อยมั่นคงเพื่อจะได้ทําการใหญ่ๆสําคัญๆทั้งหลายให้ก้าวไปได้ด้วยดีว่าถึงด้านเศรษฐกิจก็ชัดดังที่เคยพูดแล้วในทางสังคม เมื่อคนอยู่ในศีลไม่มีอาชญากรรมไม่มีภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินการสัญจรสะดวกปลอดภัยไปได้ทุกที่จะตั้งโรงงานจะทำกิจการอะไรที่ไหนจะเดินทางไปทำงานไปซื้อไปขายไปจับจ่ายที่ไหนเวลาใดไม่ว่าในเมืองหรือบ้านนอกตรอกซอกซอยไหนค่ำคืนดึกดื่นเท่าใดปลอดโปร่งโล่งใจไปได้หมดคนงานกับนายจ้างมีความสัมพันธ์กันดี มีน้ำใจซื่อตรงเกื้อหนุนกันระบบราชการงานเมืองสุจริตมีประสิทธิภาพบรรดากิจการนานาประเภทน่าเชื่อถือไว้ใจได้ทั้งคนใกล้คนไกลคนในถินนอกถินนอกประเทศติดต่อสื่อสารคมนาคมไปมาราบรื่นราเริงการผลิตการพาณิชย์คล่องตัวนี่คืออย่างง่ายๆที่ศีลสร้างฐานทางเศรษฐกิจให้แก่สังคม เป็นความพร้อมที่จะก้าวขึ้นสู่ความรุ่งเรืองเฟื่องฟูเมื่อบ้านเมืองมั่นคงดีประชาชนมีความมั่นใจสูงทีนี้ก็มาถึงตัวคนว่าอย่างรวบรัดด้านลบที่ขาดศีลเช่นเสเพละลักขโมยขี้ฉกขี้ช่อขี้โกงขี้เกียจขี้เมาเสียหายอย่างไรขอข้ามไปไม่ต้องพูดถึงพูดแต่ในแง่มีศีล ชาวบ้านที่ทำมาหาเลี้ยงชีพเมื่อตกลงใจว่าจะอยู่ในศีลถ้าแน่ใจตัวเองแล้วว่าจะตั้งใจทำมาหากินในทางสุจริตพอใจมุ่งหิิงไปอย่างนี้ความคิดที่จะหาช่องได้โน่นได้นี่รอหาช่องทำนั่นทำนี่ในทางที่ไม่ถูกต้องหรือจะคิดการทุจริตอะไรก็ไม่มีแม้แต่รายการได้ของเผลอลาบลอยก็ไม่นึกถึงไม่มีเรื่องนอกที่จะมาแย่งเวลาแย่งความคิด พอใจมุ่งแนวมาที่เรื่องการงานอาชีพตรงเรื่องจริงๆแล้วความคิดที่จะฟุ้งซ่านออกไปนอกทางไม่มีนี่คือเข้าทางของสมาธิแล้วทีนี้อย่างที่ว่าใจมุ่งมาที่เรื่องการอาชีพตั้งใจทำจริงจังก็คิดถึงแต่เรื่องการเรื่องงานว่าจะริเริ่มอะไรจะทำอะไรบ้างจะดำเนินการอย่างไรให้ได้ผลดีมีอะไรจะติดขาดตรงไหนที่ไหนจะแก้ปัญหาอย่างไร จะติดต่อทำทางเปิดทางของงานอย่างไรควรครบควรหาปรึกษาใครร่วมมือร่วมงานกับใครอย่างไรและอื่นๆอย่างนี้ก็คือศีลส่งผลต่อมาที่จิตด้านสมาธิกับปัญญามารับช่วงต่อเดี๋ยวอิธิบาสีก็ทยอยมากันครบมีหวังสาเร็จแน่ขอให้จับตรงนี้ให้ชัดว่าหน้าที่ของศีล อยู่ที่จัดฐานเตรียมสภาพแวดล้อมให้เรียบร้อยมั่นคงที่จะทําการต่อไปได้อย่างมั่นใจถ้าขาดศีลก็ฐานเสียพื้นผูกโวสภาพแวดล้อมไม่เ อ, อื้อถ้าไม่มีศีลก็เริ่มไม่ได้ถ้าเริ่มก็งอนแ ง, น ง, นงน่งโงนเงินพอสภาพแวดล้อมเอื้ออํานวยดีแล้วฐานมั่นพร้อมดีแล้วก็คือเข้าไปในวิถีของเรื่องคือถึงตัวการงาน พูดภาษาพระก็คือมีสมาธิที่จะทำงานทำการและถึงตอนนี้พระพุทธเจ้าตรัสอะไรก็ขอรวบดัดอีกว่ามีกึ่งคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นหลักประจําเป็นประโยคเริ่มต้นคาถาสรุปคําสอนสําหรับชาวบ้านที่ทํางานทําการสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อชีวิตที่ดีมีความสมเด็จลุจุดหมายในโลกนี้กึ่งคทานี้คือ อุถาตากรรมเทยเยสุอัปมาตโตวิธานวาแปลว่าขยันในการงานไม่ประมาทฉลาดจัดการคำนวให้จำง่ายว่าขยันไม่ประมาทฉลาดจัดการความจากพุทธพจน์นี้ควรถือเป็นหลักการทำงานเลยทีเดียวแน่นอนว่า ในเรื่องงานก็ต้องเริ่มด้วยขยันตัวศัพท์คืออุานะแปลว่าตัวคนลุกขึ้นไม่มัวนั่งนอนอยู่ก็ได้เงินทองเพิ่มขึ้นหรือมีความเจริญขึ้นก็ได้เมื่อขยันหมั่นเพียรกิจธุระการงานจึงจะเดินหน้าก้าวไปแล้วจึงจะเสร็จและถึงความสาเร็จได้ความขยันหมั่นเพียร น, นี้พระพุทธเจ้าทรงเน้น ไม่เพียงเป็นองค์ของความสำเร็จแต่เป็นข้อระลึกอ้างอิงสำหรับความภาคภูมิใจและความสุขในชีวิตแห่งการงานด้วยดังที่ทรงย้ำเป็นประจำในคำสอนสำหรับคริฮัตว่ามีโภคะซึ่งหามาได้ด้วยความขยันมันเพียรเก็บรวบรวมขึ้นด้วยกำลังแขนอย่างอาบเงือต่างน้ำซึ่งเป็นของชอบรมได้มาโดยทำ นอกจากนั้นด้วยความขยันหมั่นเพียร น, นี้คนก็จะได้พัฒนาตัวพัฒนาชีวิตเพราะการก้าวไปในงานนั้นเป็นทั้งการพัฒนาตนและเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ต้องพัฒนาตัวในทุกด้านที่จะพาตัวให้ก้าวผ่านไปได้และสำเร็จผลอย่างไรก็ตามความขยันเท่านั้นไม่พอต้องมีความไม่ประมาทกัากับด้วยถ้าขยันไม่เข้าเรื่องไม่ถูกเวลาผิดที่ผิดจังหวะ ที่ควรขยันไม่ขยันไปขยันที่ไม่ควรขยันก็อาจเสียการความไม่ประมาทก็คือสตทิที่ออกโรงทำงานกับความเพียร น, นี่เองได้แก่ตื่นตัวทันเหตุการมีเรื่องผ่านจับจุดได้มีเรื่องร้ายไม่หวันไหวไม่รีรอเมื่อได้ที่มีให้มีช่องโหว่ทิ้งไว้มีอะไรจะต้องรับมือหรือป้องกันก็เตรียมให้พร้อมถึงเวลาถึงจังหวะ หรือเกิดโอกาสก็ไม่พลาดไม่ละเลยถือหลักว่าเตรียมกิจสำหรับอนาคตให้พร้อมไว้อย่าให้กิจนั้นบีบคั้นตัวเมื่อถึงเวลาต้องทำเฉพาะหน้าพูดสั้นๆว่าความไม่ประมาทช่วยให้เพียรครบส่สถานคือทั้งเพียรปิดช่องป้องกันความเสื่อมเสียหายเพียรแก้ไขปัญหากำจัดเรื่องร้ายพยันตรายเพียรสร้างสรรทาการดีงามให้สาเร็จ และเพียรอนุรักษ์เช่นรักษาคุณภาพดารงเกียรติคุณและปรับปรุงส่งเสริมให้เจริญยิ่งพินโยจนกว่าจะสมบูรณ์ไพยบู์หลักที่สามคือฉลาดจัดการก็สำคัญยิ่งเป็นเรื่องของปัญญาทำให้ใช้ความขยันถูกเรื่องถูกที่เป็นต้นและให้ความไม่ประมาทออกผลจริงในที่นี้ เพื่อให้สั้นที่สุดก็ว่าต้องจัดการด้วยปัญญาซึ่งรู้หลักเฉพาะย่างยิ่งสัพปุริสธรรมเจ็ดซึ่งมีหัวข้อว่ารู้หลักรู้จักเหตุรู้ความมุ่งหมายรู้จักผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้บุคคลรู้กลุ่มชนชุมชนถิ่นสังคมเช่นรู้จักเลือกใช้คนให้เหมาะกับงาน รู้ความต้องการของกลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมแบบนั้นและอื่นๆความฉลาดจัดการหรือความรู้จักจัดการนี้เป็นธรรมะที่ทรงเน้นหรือตรัสบ่อยทั้งสำหรับพระสงฆ์คือบาลีที่ว่าอลังสังวิทาตุงแปลว่าสามารถจัดการ และแน่นอนว่าย้ำพิเศษสําหรับคฤารือหัดที่รับผิด ช, ชอบหมู่ชนหรือกิจการต่างๆเช่นทรงเล่าถึงหลักธรรมสําหรับผู้รับผิด ช, ชอบรอบรองบ้านเรือนว่าผู้ครองเรือนควรเป็นคนเผื่อแผ่แบ่งปันรู้จักจัดการหรือวิธานวันสําหรับผู้จะรับราชการก็ตรัสเล่าเรื่องที่แสดงหลักธรรมไว้มากรวมทั้งที่ว่า ผู้มีวิจารณะปัญญาพร้อมด้วยพุท ธ, ธิปัญญาฉลาดในวิธีจัดการรู้จักการรู้จักสมัยจึงควรสนองราชกิจคนที่ขยันในกิจการไม่ประมาทมีปัญญาสอดคล้องจัดการงานได้ดีจึงควรสนองราชกิจรวมความว่าศีลครอบคลุมถึงธรรมะที่เกี่ยวข้องกับกิจการและการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ทั้งหลาย พูดในย่าหนึ่งว่าศีลเป็นเรื่องของการจัดการชีวิตให้มีสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อก้าวไปในการพัฒนาจิตปัญญาได้เต็มที่ประสูนต์ต่อไปนี้แสดงหลักธรรมเกี่ยวกับอาชีวะของข้ารือหัดในด้านการแสวงหาทรัพย์บ้างการใช้จ่ายทรัพย์บ้าง ความสุขที่พึงได้รับจากอาชีวะอันชอบธรรมบ้างนำมาลงไว้ประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับสัมมาอาชีวะซึ่งเป็นศีลด้านใหญ่ที่ครองเจ็ดจำนวนมและกิจกรรมติดเนื่องเนืองนิดประจำชีวิตของบุคคลและกลุ่มชนว่าด้วยการแสวงหาและการรักษาทรัพย์ครั้งหนึ่งอุชัยพรามได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและกราบทูลว่า ตนจะไปอยู่ต่างถิน่นจะขอให้พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขปัจจุบันและธรรมะที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขภายหน้าพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนพรามธรรมะสประการนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในปัจจุบันกล่าวคืออุทานสัมปทาอารักขาสัมปทาการยาณมิตตาสมาชีวิตา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 รู้จักวิธีปฏิบัติในเรื่องนั้นๆสามารถทาสามารถจัดการนี้เรียกว่าอุทานสัมปทาอารคคาสัมปทาเป็นไนคือกุลบุตรมีพ่อขซับที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมขึ้นด้วยกำลังแขนอย่างอาบเงือต่างน้ำเป็นของชอบทม ได้มาโดยธรรมเธอจัดการรักษาคุ้มครองพวกทรัพั์เหล่านั้นโดยพิจารณาว่าทำอย่างไรราชาทั้งหลายจะไม่พึงริบโภคะเหล่านี้ของเราเสียพวกโจรไม่พึงรักไปเสียไปไม่พึงไหมเสียน้าไม่พึงพัดพาไปเสียทายาทอปรีจะไม่พึงเอาไปเสียนี้เรียกว่าอารักขาสัมปทา กัญญาณมิตรตาเป็นชไหนคือกุลบุตรเข้าอยู่อาศัยในคามหรือนิคมใดก็าตามเธอเข้าสนิทสนมสนทนาปราศัยถกถ้อยปรึกษากับท่านที่เป็นขหาบดีบ้างบุตรขหาบดีบ้างพวกคนหนุ่มที่มีความประพฤติเป็นผู้ใหญ่บ้างคนสูงอายุที่มีความประพฤติเป็นผู้ใหญ่บ้างผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลประกอบด้วยจาคะประกอบด้วยปัญญา ธอศึกษาเยี่ยงอย่างความเพียบพร้อมด้วยศรัทธาของผู้เพียบพร้อมด้วยศรัทธาศึกษาเยี่ยงอย่างความเพียรพร้อมด้วยศีลของท่านผู้เพ <wealth> <itos> ียบพร้อมด้วยศีลศึกษาเยี่ยงอย่างความเพียบพร้อมด้วยจาคะของท่านผู้เพียบพร้อมด้วยจาคะศึกษาเยี่ยงอย่างความเพียบพร้อมด้วยปัญญาของท่านผู้เพียบพร้อมด้วยปัญญานี้เรียกว่ากัลยาณมิตรตา สมาชีวิตาเป็นชไหนคือกุลบุตรเลี้ยงชีวิตพอเหมาะไม่ให้ฟุ่มเฟื่อยเกินไปไม่ให้ฟืดเคืองเกินไปโดยรู้เข้าใจทางเพิ่มพูนและทางลดถอยแห่งภพกรัพับว่าทำอย่างไรรายได้ของเราจึงจะเหนือรายจ่ายแลรายจ่ายของเราจึงจักไม่เหนือรายได้เปรียบเหมือนคนช่างตาช่างหรือลูกมือนคนช่างตาช่างขึ้นแล้วย่อมรู้ว่าย่อนไปเท่านั้น หรือเกินไปเท่านี้ถ้าหากกุลระบุนี้มีไรายได้น้อยแต่เลี้ยงชีวิตอย่างฟุงเฟอก็จะมีผู้กล่าวว่าเอาได้ว่ากุลระบุตผู้นี้กินใช้ทรัพย์สมบัติเหมือนคนกินมะเดือ่อถ้ากุลระบุนี้มีไรายได้มากแต่เลี้ยงชีวิตอย่างฟืดเครืองก็จะมีผู้กล่าวว่าเอาได้ว่ากุลระบุตผู้นี้คงจะตายอย่างคนอนาถา แต่เพราะกุลบวนี้เลี้ยงชีวิตพอเหมาะนี้จึงเรียกว่าสมชีวิตตาดูกรพรามโโภคะที่เกิดขึ้นโดยชอบอย่างนี้แล้วย่อมมีอบายมุข ค, คือช่องทางเสื่อมสี่ประการคือเป็นนักเลงหญิงเป็นนักเลงสุราเป็นนักเลงการพนันมีมิด ช, ชั่วสหายชั่วฝักใยในคนชั่ว เปรียบเหมือนอ่างเก็บน้ำแหล่งใหญ่มีทางไหลเข้าสี่ทางมีทางไหลออกสี่ทางอ่าคนปิดทางน้ำเข้าเสียเปิดแต่ทางน้ำออกอีกทั้งฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดู ก, กาลเมื่อเป็นเช่นนี้อ่างเก็บน้ำใหญ่นั้นเป็นอันหวังได้แต่ความลดน้อยลงอย่างเดียวไม่มีความเพิ่มขึ้นได้เลยดูก่อนพรามโภคะที่เกิดขึ้นโดยชอบอย่างนี้แล้ว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 อ่างเก็บน้ําใหญ่นั้นย่อมเป็นอันหวังได้แต่ความเพิ่มพูนขึ้นอย่างเดียวไม่มีความลดน้อยลงเลยดูกอนพรามธรรมมสีประการเหล่านี้แหลย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขปัจจุบันแก่กุลบุตรจากนั้นตรัสแสดงธรรมมาสีประการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขเบื้องหน้าหรือประโยชน์ล้าเลยตาเห็นคือสัมปราญิกัตถะ ได้แก่ศรัทธาสัมปทาศิลสัมปทาจาขะสัมปทาและปัญญาสัมปทาว่าด้วยความสุขอันชอบธรรมที่เขาฤหัสควรมีหลักต่อไปนี้ เรียกกันง่ายๆว่าความสุขของครืหัดสี่ประการดังพุทธพจน์ที่ตรัสแก่อนาถบิณฑิกะคฤห่หบดีว่าดู ก, กรเขาเหบดีความสุขสี่ประการนี้เป็นสิ่งที่คฤ ห, หัดผู้บริโภคก ร, รมควรได้ควรถึงอยู่เรื่อยๆตามการตามสมัยความสุขสีประการนั้นคืออัธิสุขโภคสุขอนานาสุขอนนาวชาศุข อธิสุขคือสุขเกิดจากความมีทรัพย์เป็นไฉนคือคุลบุตรมีโภคะอันหามาได้ด้วยความขยันมันเพียรเก็บรวบร <eki> วมขึ้นด้วยกำลังแขนอย่างอาบเหงื่อต่างน้ําเป็นของชอบธรรมได้มาโดยธรรมเธอย่อมได้ความสุขได้ความสมนัตว่าเรามีโภคะ e> ที่หามาได้ด้วยความขยันมันเพียรเก็บรวบรวมขึ้นด้วยกำลังแขนอย่างอาบเหงื่อต่างน้ําเป็นของชอบธรรมได้มาโดยธรรม นี้เรียกว่าอัติสุขโภคาสุขสุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์บริโภคเป็นไนคือคุณระบุตรกินใช้และทำสิ่งดีงามอันเป็นบุญทั้งหลายด้วยโภคะที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรอันเก็บรวบรวมขึ้นด้วยกำลังแขนอย่างอาบเหงื่อต่างน้ำซึ่งเป็นของชอบทำได้มาโดยธรรมเธอย่อมได้ความสุข ได้ความสมนัตว่าด้วยทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรได้มาโดยธรรมเราก็ได้กินใช้และได้ทำสิ่งดีงามอันเป็นบุญทั้งหลายนี้เรียกว่าโภคสุขอันนั้นนสุขสุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้เป็นฉนันนคือกุลบุตรไม่ติดหนี้สินไราๆของใครๆไม่ว่าน้อยหรือมาก เธอย่อมได้ความสุขได้ความสมนัดว่าเราไม่ติดนิสินรายของใครๆเลยไม่ว่าน้อยหรือมากนี้เรียกว่าอนันตสุขอนนวัชชาสุขสุขเกิดจากกรรมดีงามไร้โทษเป็นฉไฉนคืออริยาสาวกเป็นผู้ประกอบด้วยกายกรรมดีงามไร้โทษประกอบด้วยวจีกรรมดีงามไร้โทษ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 เมื่อกินใช้ก็เห็นแจ้งชัดด้วยปัญญาถึงโภคสุขเมื่อเห็นอย่างแจ้งชัดเขามีปัญญาดียอมเข้าใจทั้งสองส่วนเทียบกันได้และเห็นว่าความสุขทั้งสามอย่างข้างต้นนั้นมีค่าไม่ถึงเซี่ยวที่16ของความสุขที่มีความประพฤติสุจริตไร้โทษ ว่าด้วยการใช้จ่ายทรัพย์ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงเหตุผลในการที่จะมีทรัพย์หรือประโยชน์ที่ควรถือเอาจากทรัพย์สมบัติแก่ อ, อนาถาบินทิกะขาา้ารหบดีโดยตรัสให้เหมาะกับสภาพสังคมสมัยนั้นพึงพิจารณาจับเอาสารัถะตามสมควรดังต่อไปนี้ดูก่อนข้ารหบดี ประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่งโภคะทั้งหลายมีหประการดังนี้คือหนึ่งด้วยโภคะที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมขึ้นด้วยกำลังแขนยังอาบเหงื่อต่างน้ำซึ่งเป็นของชอบทำได้มาโดยธรรมอริยาสาวกย่อมเลี้ยงตัวให้เป็นสุขให้เ อ, อิบอิม่มเอาใจใส่ดูแลตนให้เป็นสุขโดยชอบย่อมเลี้ยงมารดาบิดาบุตรภรรยาคนรับใช้กรรมกรคนงาน ให้เป็นสุขเอิบอิ่มเอาแจใส่ดูแลให้เป็นสุขโดยชอบนี้คือประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่งโภคาข้อที่หนึ่งอีกประการหนึ่งโดยโภคาที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรได้มาโดยธรรมอริยาสาวกย่อมเลี้ยงมิสหายและผู้ร่วมกิจการงานทั้งหลายให้เป็นสุขให้เอิบอิ่มเอาใจใสดูแลให้เป็นสุขโดยชอบ นี่คือประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่งโภคะข้อที่สองอีกประการหนึ่งด้วยโภคะที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรได้มาโดยธรรมอริยาสาวกย่อมป้องกันโภคะจากพยันตรายที่จะเกิดแต่ไฟน้ำพระราชาโจรหรือทายาทอปรีทำตนให้สวัสดีนี่คือประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่งโภคะข้อที่สาม อีกประการหนึ่งด้วยโภคาที่หามาได้ด้วยความขยันมันเพียรได้มาโดยธรรมอริยาสาวกย่องกระทำผลีห้าอย่างคือยาติภลีสงเคราะญาติอิติทิภลีต้อนรับแขกอุเปเพเตตาภลีทำบุญอุทิศผู้ล่วงลับราชภลีบำรุงราชการเทวตาภลีถวายเทวดา หรือบำรุงศาสนานี้คือประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่งโภคะข้อที่สอีกประการหนึ่งด้วยโภคะที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรได้มาโดยธรรมอริยส า, าวกยอมประดิษฐานทักินาอันสรงผลสูงอันอำนวยอารมณ์ดีงามมีผลเป็นสุขเป็นไปเพื่อสวรรค์ในสมณพราหมณ์ทั้งหลาย ผู้เว้นจากความมัวเมาประมาทตั้งอยู่ในขันติโสรัจารซึ่งฝึกฝนตนเองทําตนเองให้สงบทําตนเองให้หายร้อนกิเลสได้นี่คือประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่งโพคะข้อที่ห้าเคหะบดีประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่งโพคะมีห้าประการเหล่านี้แหละถ้ามืออริยส า, าวกนั้นถือเอาอยู่ซึ่งประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่งโพคะห้าประการเหล่านี้ โภคทรัพย์หมดสิ้นไปเขายอมมีความคิดอย่างนี้ว่าอันใดเป็นประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่งโภคะประโยชน์เหล่านั้นเราก็ถือเอาแล้วและโภคาของเราก็หมดสิ้นไปโดยในยะาีีอริยาสาวกนั้นก็ไม่มีความเดือดร้อนใจและหากว่าเมื่ออริยาสาวกนั้นถือเอาอยู่ซึ่งประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่งโภคะห้าประการเหล่านี้ ภคษั์เพิ่มภูนขึ้นเขาย่อมมีความคิดว่าอันใดเป็นประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่งโภคะประโยชน์เหล่านั้นเราก็ถือเอาแล้วและโภคะของเราก็เพิ่มภูนยิ่งขึ้นโดยในย่านนี้อริยสาวกนั้นก็ไม่มีความเดือดร้อนใจเป็นอันไม่มีความเดือดร้อนใจทั้งสองกรณี ผู้ครองเรือนเมื่อมีกินมีใช้แล้วท่านถือเป็นหลักสำคัญที่จะต้องปันเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นและถือว่าการปฏิบัติเช่นนั้นเป็นการดำเนินตามมรรค า, าแห่งอริยชนดังพาสิตว่ามีน้อยก็พึงให้ตามน้อยมีปานกลางก็พึงให้ปานกลางมีมากก็พึงให้ตามมากการไม่ให้เลยย่อมไม่สมควรแน่ยท่านโกศิยะเสถี เราขอกล่าวกับท่านว่าจงให้ปัน่นและจงกินใช้จงขึ้นสู่มรคาแห่งอริยชนเถิดผู้กินคนเดียวไม่ได้ความสุขหรอกการฝึกตนในการปันนี้อาจทำได้โดยตั้งเป็นวัดคือข้อปฏิบัติที่ถือพิเศษเป็นประจำอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเมื่อมีรายได้เท่านั้นจะต้องบริจาคช่วยผู้อื่นในอัตราส่วนเท่านั้น หรือจะบริจาคช่วยกิจาการกุศลเดือนละครั้งหรือปีละครั้งจำนวนเท่านั้นเท่านั้นเป็นต้นบางท่านถึงกับถือวัดว่าแม้ตาจะรับประทานข้าวแต่ละมือ้อถ้ายังไม่ได้ให้อะไรใครเลยก็จะยังไม่รับประทานเช่นท่านเศรษฐีผู้กลับใจแล้วท่านหนึ่งถือเป็นวัดว่าข้าพเจ้าหากยังไม่ได้ให้ปันก็จะไม่ดื่มแม้แต่น้ำ เร็ยนปัญญาไว้ถึงหาทรัพได้อิสรภาพต้องไม่เสียนอกจากพึงรู้ว่าการมีทรัพมิใช่เป็นจุดหมายในตัวแต่เป็นเพียงอุปกรณ์สําหรับสนับสนุนการทำสิ่งดีงามเพื่อชีวิตตนและผู้อื่นแล้วพึงทราบขอบเขตแห่งคุณค่าของทรัพย์สมบัติและการที่จะต้องแสวงสิ่งอื่นที่มีคุณค่าสูงยิ่งขึ้นต่อไปด้วยเช่น การงานวิชาธรรมะศีลและชีวิตอุดมสัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ด้วยสิ่งที่กล่าวมานี้หาใช่ด้วยโคตรโดยทราบไม่จากมัชฌิมานิกายอุปริปันธานท่านว่าการงานเท่ากับสัมมากรรมมันตะวิชาเท่ากับสมาทิทฐิและสัมมาสังคัปปะ ธรรมะคือองค์ธรรมหมวดสมาธิการปลูกฝังฝึกเตอคุณธรรมและคุณภาพจิตสีลเท่ากับสัมมาวาจาและสัมมาอาชีวะชีวิตอุด ม, มคืออริยมรรคหรือสัมมาอาชีวะก็ได้ข้าพเจ้ามองเห็นคนทั้งหลายในโลกที่เป็นผู้มีทรัพย์ได้ทรัพย์สินแล้วไม่ให้ปัน เพราะความลุ่มหลงโลภทรัพย์เอาแต่สั่งสมไว้และปรารถนาการทั้งหลายยิ่งขึ้นไปราชาลุกรานมีใจทั้งแผ่นดินรอบรองปัจจพีจรวดสาครไม่ยิ่มแค่ฝั่งสมุดข้างนี้ยังปรารถนาฝั่งสมุดข้างโน้อนอีกทั้งพระราชาและเหล่ามนุษย์ทั้งหลายอื่นเป็นอันมากอย่างมิทันสิ้นความทะเยอทะยานก็เข้าถึงความตาย ทั้งยังปร้องอยู่นั่นเองก็พากันละทิ้งร่างกายไปความอิ่มด้วยกามทั้งหลายย่อมไม่มีในโลกเลยญาติทั้งหลายพากันสยายผมร่ำไห้ถึงผู้นั้นกล่าวรำพันว่าโอที่รักของพวกเรามาจากลับไปเสเล่าหนอแล้วเอาผ้าห่อห่มเขานําเอาไปขึ้นเชิงตะกรจัดการเผาเขาถูกสับ ป, ประเรอเอาเหลาทิมแทงไป ไม่ไฟหมดไปมีแต่ผ้าพื้นเดียวติดตัวละทิ้งทรัพสมบัติไปเมื่อจะตายญาติมิตรหรือสหายทั้งหลายจะเป็นที่ต้านทานไว้ได้ก็ไม่มีทรัพย์สินของเขาพวกที่รับมรดกก็ขนเอาไปส่วนสัตว์ก็เป็นไปตามกรรมเมื่อตายทรัพย์สักหน่อยก็ติดตามไปไม่ได้ บุตรภรรยาทรับและแว่นแขวนก็เช่นกันคนจะได้อายุยืนเพราะทรัพย์ก็หาไม่จะกําจัดชาราด้วยทรัพย์ได้ก็หาไม่ปราดทั้งหลายกล่าวชีวิตว่าน้อยนักไม่ยั่งยืนมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาทั้งคนมีทั้งคนจนต่างก็กระทบผัสสะทั้งคนพานทั้งนักปราดก็ถูกกระทบเหมือนกันแต่คนพาน ความที่อ่อนปัญญาย่อมนอนผวาหวาดส่วนผู้เป็นปราดถึงถูกผัสสะกระทบก็หาสถานไม่เพราะฉะนั้นปัญญานั่นแหละจึงประเสริฐกว่าทรัพย์ด้วยเป็นเหตุให้บรรลุจุดหมายสูงสุดได้ในโลกนี้อุปกรณ์สำคัญของการประกอบสัมมาอาชีวะ ก็คือศิลปวิทยาหรือศิ ป, ปะคือวิชาชีพปีมือความจัดเจนงานดังนั้นท่านจึงเตือนให้ขวนขวายศึกษาศิลปวิทยาและให้บิดามารดาถือเป็นหน้าที่ที่จะให้บุตรศึกษาเล่าเรียนแต่ความรู้วิชาชีพหรือความชมานาญงานอย่างเดียวก็แค่ไปท่านจึงให้มีพาหุสัจจะคือความเป็นผู้ได้สดับมาก หรือศึกษาเล่าเรียนกว้างขวางประกอบด้วยเพื่อช่วยให้เห็นช่องทางในการประกอบสิบปะกกว้างขวางออกไปสามารถบันเป็นประโยชน์ช่วยแก้ปัญหาให้แก่เพื่อนมนุษย์ได้ดียิ่งขึ้นและมีความคิดความเข้าใจมองเห็นอะไรๆกว้างขวางลึกซึ้งโดยเฉพาะความรู้ความสดับที่ช่วยให้เกิดสัมมาทิฏฐิที่เป็นตัวแท้เริ่มแรกของการศึกษาพร้อมนั้นก็ให้ฝึกอบรมระเบียบ ว, วินยัย เพื่อพร้อมที่จะนำสิบปะไปใช้ในทางที่สุจริตและมีความประพฤติทั่วไปที่ดีงามเพื่อกูลแก่ความอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นหรือแก่สังคมกับทั้งฝึกฝนให้รู้จักพูดรู้จักเจรจาให้เป็นผลดีเป็นการขยายช่องทางดำเนินชีวิตและบำเพ็ญประโยชน์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นหลักการขั้นศีลที่กล่าวนี้ดาเนินตามพุทธพจน์ว่า พาหุสัจจะคือความเป็นผู้ได้สะดับมากหรือเล่าเรียนกว้างขวางลึกซึ้งหนึ่งสิปะวิชาชีพหรือความชัดเจนงานหนึ่งวินัยที่ศึกษาดีแล้วหรือฝึกอบรมเป็นอย่างดีแล้วหนึ่งวาจาที่กล่าวได้ดีหนึ่งนี้เป็นอุดมมงคลการงานไม่ข้างค้างอากูลนนี่ก็เป็นอุดมมงคลกิจกรรมที่ไร้โทษ นี่ก็เป็นอุดมมงคลการงานหรือกิจกรรมที่ไร้โทษคือกิจกรรมที่ดีงามไม่ก่อให้เกิดความเสียหายโดยเฉพาะการบำเป็นประโยชน์ต่างๆเช่นช่วยรับใช้บริการสร้างสวนปลูกป่าสร้างสะพานสมมาทานอุโบสถนอกจากนี้ มีบาลีภาสิทเตือนให้ศึกษาศิลปะวิทยาอีกมากเช่นคนไม่มีศิลปะวิทยาเลี้ยงชีวิตอยู่ได้ยากจงให้บุตรเรียนรู้วิทยาอะไรควรศึกษาก็พึงศึกษาเถิดขึ้นชื่อว่าศิลปะวิทยาไม่ว่าอย่างไหนให้ประโยชน์ได้ทั้งนั้นอันความรู้ ควรเรียนทุกอย่างไม่ว่าต่ำว่าสูงหรือปานกลางควรรู้ความหมายเข้าใจทั้งหมดแต่ไม่จำเป็นต้องใช้ทุกอย่างวันหนึ่งจะถึงเวลาที่ความรู้นั้นนำมาซึ่งประโยชน์มีข้อที่ขอย้ำแซกเข้ามาเกี่ยวกับอุดมมงคลระดับนี้ว่าพาหุสัจจะความช่ำชองเชิงวิชาการ คนมาพร้อมด้วยสิบปะกความชำนาญในเชิงปฏิบัติคือดีทั้งวิชาและฝีมือถ้าทั้งสองอย่างนี้มาเข้าคู่กันครบก็หวังได้ซึ่งความเป็นเลิศแห่งงานถ้ายิ่งเป็นคนมีวินัยที่ได้ฝึกมาอย่างดีและเป็นคนที่พูดเป็นคือรู้จักพูดจาให้ได้ผลดีสามารถทำให้คนอื่นเข้าใจหรือเห็นตามได้ชวนให้เกิดความร่วมมือและสามัคคี ก็ยิ่งหวังได้ว่ากิจการจะประสบความสําเร็จครั้นสำทับเข้าด้วยการปฏิบัติงานที่เรียบร้อยฉับไวไม่ค้างค้างอากูลและเสริมด้วยการทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ก็ยิ่งเป็นเครื่องประกันถึงความสําเร็จบริบูรณ์แห่งชีวิตด้านการงานแต่เพื่อป้องกันมีให้หมีช่องว่างที่บุคคลนั้นจะมัวหลงเพลิดเพลินแต่วิทยาและการงานจนลืมหน้าที่ต่อบุคคลใกล้ชิด ภายในความรับผิดชอบที่บ้านท่านจึงแทรกมุงคลอีกสองอย่างเข้ามาในช่องว่างแรกที่เว้นไว้คือการบำรุงมารดาบิดาและการสงเคราะห์บุตรภรรยาครั้นภาระด้านส่วนตัวครบครันแล้วท่านจะให้บุคคลผู้เป็นอริยาสาวกนั้นคำนึงถึงความรับผิดชอบที่ตนจะพึงเกือ้อกูลแก่คนอื่นขยายกว้างออกไปตลอดถึงเพื่อนมนุษย์ทั้งหมด ให้ชีวิตของตนก้าวหน้าไปในความดีงามและได้ชื่อว่ามีส่วนร่วมในการพดุงธรรมของมนุษยชาติท่านจึงเสริมมงคลอีกสามอย่างเข้ามาในช่องว่างหลังคือญาติสังคหะการสงเคราะห์ญาติทานการให้ปันเกื้อกูลกว้างออกไปและธรรมจริยาการประพฤติ ธ, ธรรมเมื่อประพฤติตนได้เพียงนี้ก็นับว่าเพียงพอ สำหรับจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ครองชีวิตที่ดีงามในโลกในส่วนของยาติสังหะของเดิมบาลีเรียงยาติสังหะไว้เป็นข้อท้ายแต่เป็นลำดับในคาถาซึ่งไม่ควรถือเคร่งครัดนักในที่นี้จึงนำมาจัดเข้าลำดับให้ใกล้กับสงเคราะห์บุตรภรรยาอันหนึ่งคำว่ายาติหรือญาต ธรรมคถาของพระสูตรนี้ตีความจำกัดมากแต่ในคำพีเนติวิภาวินีฉบับพระมาแก้คำยาติว่ารวมถึงมิสหายและคนที่เกี่ยวข้องด้วยเรื่องอาชีวะนี้เห็นควรผู้สรุปไว้อีกแม้จะต้องกล่าวความซ้ำซ้อนกับข้างต้นว่าพระพุทธศาสนายอมรับและยืนยันความจำเป็นทางวัตถุ โดยเฉพาะปัจจัยสีดังเช่นพุทธพจน์ที่ตรัสบ่อยว่าสัพเพสัตตาอาหารทิติกาสัตว์ทั้งปวงดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารอย่างไรก็ดีความจำเป็นแท้จริงนั้นอยู่ภายในขอบเขตเท่าที่พอดีจะช่วยให้ชีวิตด้านกายดำรงอยู่ในภาวะดีงามที่ควรเป็นปกติของมันคือปลอดภยัย ปราศจากโทษของความขาดและความเกินไร้โรคไร้ภัยอันตรายและเป็นไปได้สบายคือเกื้อกูลแก่การทากิจและการบำเพ็ญความดีงามด้านจิตและปัญญาที่สูงขึ้นไปคุณค่าและความสำคัญของวัตถุนี้ยังมีส่วนยืดหยุน่นโดยสัมพันธ์กับเงื่อนไขทางสังคมและองค์ประกอบภายในบุคคล คือปัญญาที่รู้เข้าใจเท่าทันคุณโทษและขอบเขตความสำคัญของวัตถุและความสามารถประสบปีติสุขที่ประนีกว่าการเสพโสเยอามิสุขด้วยเหตุนี้พุทธศาสนาจึงไม่สนใจที่จะกะเกณฑ์ว่าคนเราจะต้องมีวัตถุเท่ากันเพราะเกณฑ์นั้นไม่ใช่เครื่องวัดว่าจะทำให้ทุกคนเป็นสุขและมีชีวิตที่ดีงามได้แต่สนใจเกณฑ์อย่างตามที่ว่า ทุกคนควรมีปัจจัยสี่เพียงพอที่จะมีชีวิตรอดได้ด้วยดีพ้นจากนั้นแล้วพุทธศาสนายอมให้มีวัตถุเสพสวยตามความพร้อมและพัฒนาการทางจิตปัญญาภายในขอบเขตเท่าที่จะไม่เป็นการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นข้อนี้หมายความว่าในการที่จะมีชีวิตเป็นสุขบุคคลที่มีพัฒนาการทางจิตปัญญาต่ำยอมต้องการวัตถุเสพ หรือมีชีวิตที่ขึ้นต่อความร่างพร้อมปรนเรือทางวัตถุมากกว่าบุคคลที่มีพัฒนาการทางจิตปัญญาสูงกว่าส่วนความตกต่ำแห่งจิตปัญญาที่เลยขอบเขตที่ยอมรับได้ออกไปก็คือความต้องการที่กลายเป็นความหลงไหลมัวเมาเอาแต่หาสิ่งปนเรื อ, นรอตนหมกมุ่นติดกามจนลืมนึกถึงภาวะที่ความร่างพร้อมทางวัตถุเป็นพื้นฐานเพื่อสิ่งดีงามที่สูงขึ้นไป และสามารถทำการบีบคั้นเบียดเบียนผู้อื่นได้ทันทีเพื่อเห็นแก่ตนเลยจากนี้ออกไปอีกทางหนึ่งในทิ่ตรงข้ามได้แก่ความยึดติดถือมั่นตกเป็นทาตของทรัพย์สมบัติเป็นต้นที่สแสวงหามาไว้เกิดความหวงแหนห่วงกังวลจนไม่ยอมใช้ไม่จ่ายทำประโยชน์เป็นการเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นซึ่งนับเป็นความชั่วร้าอีกรูปแบบหนึ่ง อีกด้านหนึ่งเลยเถิดออกไปอีกเช่นเดียวกันก็คือความผิดหวังเบื่อหน่ายกามวัตถุจนกลายเป็นเกลียดชงังตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์กับโลกามิ ท, ทั้งหลายแล้วหันมาจงใจบีบคั้นชีวิตของตนเองเป็นอยู่อย่างบีบรัดเข้มงวดวุ่นวายหรือหมกมุ่นอยู่กับวิธีการต่างๆที่จะจาขังรากตัวบีบคั้นตนให้พ้นจากอานาจของวัตถุดูเผินๆบางทีวิธีนี้คล้ายกับความเป็นอยู่ง่าย อาศัยวัตถุแต่น้อยแต่ผิดพลาดที่ถือเอาการปฏิบัติเช่นนี้เป็นตัววิธีที่จะทำให้หลุดพ้นหรือมุ่งบีบคั้นทรมานตัวโดยไม่ใช่ทำด้วยปัญญารู้เท่าทันที่มุ่งความเป็นอิสระซึ่งอาศัยวัตถุเพียงเท่าที่จําเป็นเพื่อเปิดโอกาสให้โล่งกว้างสำหรับชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญาและบาเพ็ญกิจด้วยการูา การที่จะมีชีวิตเป็นอิสระไม่ขค้ืนต่อวัตถุกเกินจำเป็นก็คือการไม่สยบไม่หมกมุ่นไม่ลหลงไหลมัวเมาซึ่งอาศัยความรู้เท่าทาันเห็นโทษหรือข้อบกพร่องของวัตถุที่เรียกว่าอาทินวัฏสาวีและมีปัญญาทำตัวให้เป็นอิสระได้ที่เรียกว่านิสร ะ, ะปัญญาผู้มีปัญญา ยอมรู้เท่าทันเห็นโทษของวัตถุเช่นทรัพย์สินเงินทองและสิ่งปรนเบอร์ทั้งหลายในลักษณะต่างๆเช่นว่ามันอาจทำให้เราหลงติดเป็นทาสของมันได้ทำให้สุขทุกของเราต้องฝากอยู่กับมันทั้งหมดมันไม่อาจให้คุณค่าที่สูงขึ้นไปทางจิตปัญญาแม้แต่เพียงความสงบใจและเมื่อหลงติดแล้วมันกลับเป็นตัวขัดขวางการประสบคุณค่าเช่นนั้นด้วยซ้า ที่สำคัญยิ่งก็คือโดยธรรมชาติของมันเองสิ่งเหล่านี้ขาดความสมบูรณ์ในตัวที่จะสนองความต้องการของเราได้อย่างเต็มอิ่มบริบูรณ์แท้จริงเพราะมันมีสภาวะเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนแปรปรวนไปได้ไม่มีใครสามารถเป็นเจ้าของครอบครองได้จริงไม่อยู่ในอำนาจบังคับของเราจริงจะต้องสูญสลายพลากกันไปในที่สุด การครอบครองสิ่งเหล่านี้ยังโง่เขาย่อมเป็นการทำตนเองที่ไม่มีทุกข์ให้ต้องทุกข์ต้องเศร้าเมื่อเราเกิดมันก็ไม่ได้เกิดมากับเราเมื่อเราตายมันก็ไม่ตามเราไปการที่ได้สแสวงหาและมีมันไว้ก็เพื่อใช้แก้ปัญหาบรรเทาความทุกข์เป็นฐานให้ปัญญาใช้พัฒนาความสุขไม่ใช่เอามาเพิ่มทุกข์แก่ตัว การมีทรัพย์สั่งสมไว้ไม่ใช่ประโยชน์เป็นสิ่งหาสาระอันใดมิได้ยิงยึดติดเป็นาธาตุของมันมีทุกข์เพราะมันก็ยิงเป็นความชั่วร้ายซ้ำหนักเมื่อรู้ข้อใจอย่างนี้แล้วก็กินใช้โดยเอาประโยชน์หรือคุณค่าที่แท้ของมันต่อชีวิตใช้จ่ายทรัพย์ให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตและแก่เพื่อนมนุษย์บำเพ็ญสังคหาวัตถุทั้งสี่แบ่งปันกันไปบ้าง ช่วยสร้างเสริมสภาพสังคมชนิดที่ปิดกั้นการทำความชั่วเอื้ออำนวยแก่การทำความดีเกื้อกูลแก่การพัฒนาคุณภาพจิตและปัญญาโดยวิธีต่างๆางบ้างร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมที่ดีงามและสนับสนุนคนที่ประดุงธทมจะโลงคุณภาพของมนุษย์บ้างเป็นต้นไม่ใช่การรวยเพื่อรวยยิ่งยิ่งขึ้นหรือรวยยิ่งขึ้นเพื่อเสพเพื่อปนเปลตัวได้มากขึ้น ขเริหัดที่ขยันทำการงานเลี้ยงชีวิตและได้ทรัพย์มาโดยสุจริตกินใช้ทรัพย์อย่างเผื่อแผ่รับผิดชอบต่อชีวิตผู้อื่นและใช้ทรัพย์ทาประโยชน์เป็นบุคคลที่จะรับยกย่องอย่างสูงในพุทธศาสนาถือว่าเป็นผู้มีชัยทั้งโลกนี้และโลกหน้ายิ่งมีปัญญาพอที่จะทำตนให้รอดพ้นเป็นอิสระได้ไม่ตกเป็นทาสของทรัพย์สมบัติและโลกาภิริอื่น ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตของตนไม่ทำให้การได้สิ่งเหล่านั้นมากลายเป็นเพียงการได้ทุกข์มาทับถมตัวสามารถเป็นอยู่ได้จิตใจเบิกบานผ่องใสโลกธรรมฉาบไม่ติดโลกามิตรถูกไม่เปื้อนมีทุกข์เบาบางและถอนตัวออกจากทุกข์ที่เกิดขึ้นแต่ละคราวได้ฉับไวก็ยิ่งนับว่าเป็นบุคคลผู้ประเสริฐเป็นอิสระชนเป็นเสรีบุคคลที่แท้จริง ท่านเหล่านี้ถึงจะเป็นอริยบุคคลขั้นโสดาบันหรือแม้อนาคามีก็เป็นผู้ประกอบกิจการงานด้วยความเอาใจใส่รับผิดชอบไม่ปรากฏว่าท่านสนับสนุนให้ขรืหัดมีชีวิตไปวันๆไม่เอาใจใส่ความเป็นอยู่ทอดทิ้งความรับผิดชอบต่างๆซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นการดําเนินชีวิตด้วยความยึดมั่นในความไม่ยึดมั่น สังฆ ค, คือชุมชนของบุคคลที่เป็นอิสระทั้งโดยชีวิตและด้วยจิตปัญญาสังฆ ค, คือสงเป็นชุมชนตัวอย่างของชีวิตที่พึ่งอาศัยวัตถุน้อยที่สุดหรือเป็นอิสระจากวัตถุมากที่สุดทั้งนี้เกี่ยวพันกับเงื่อนไขทางสังคมเพื่อฝึกพระภิกษุให้สามารถมีชีวิตเช่นนั้นอย่างหนึ่ง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 จะส่งมุ่งหวังให้คนมาบวชเป็นพระกันไปทั้งหมดหลักการจริงตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยก็บอกชัดอยู่แล้วว่าในเวลาหนึ่งหนึ่งคนย่อมอยู่ในระดับการพัฒนาที่ต่างกันและจึงย่อมมีความต้องการที่ต่างๆกันแม้แต่บุคคลโซดาบันส่วนใหญ่หรืออย่างน้อยจํานวนมากมายก็ครองเรือนอยู่กับครอบครัวที่บ้าน สาระถะของหลักการนี้น่าจะได้แก่การให้มีชุมชนอิสระซ้อนอยู่ในสังคมใหญ่เพื่อเป็นแรงดุลทางธรรมะหล่อเลี้ยงธรรมะแก่สังคมและเป็นแหล่งอำนวยความหลุดพ้นจากปัจจัยครอบงำของสังคมในเวลานั้นๆแก่ผู้ต้องการและพร้อมที่จะพ้นออกไปชุมชนนี้มีทั้งชุมชนรูปแบบและชุมชนนามธรรม ชุมชนอิสระโดยรูปแบบได้แก่ภิกษุสงฆ์หรือที่บางทีเรียกว่าสมมุติสงฆ์อันแทรกซ้อนและลอยตัวอยู่ทางกลางสังคมใหญ่ของครือหัดชุมชนอิสระในนามธรรมาได้แก่สาวกะสงฆ์คือสาวกสงฆ์หรือที่บางทีเรียกว่าอาริยสงฆ์อันประกอบด้วยอริยชนทั้งครือหัดและบรรพชิตที่แทรกซ้อนและลอยตัวอยู่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 ที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าอริยวงสี่ประการขอกล่าวรวบรัดว่าพระภิกษุสงฆ์ซึ่งมีวิถีชีวิตแบบพึ่งพาวัตถุน้อยนั้นไม่ได้ประกอบศิลปะวิทยาเลี้ยงชีพและโดยอาศัยวิธีทางที่โบราณประเพณีเปิดไว้ก็เป็นอยู่ด้วยปัจจัยสี่ที่ชาวบ้านแบ่งปันให้แต่พร้อมกันนั้น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 ไม่เกียดคร้านมีสัมปชัญญะมีสติมั่นในจีวรสันโดษนั้นภิกษุนี้เรียกว่าเป็นผู้สถิตในอริยวงอันเป็นของเก่ามีมาแต่ดั้งเดิมและโดยใน ญ, ญาเดียวกันข้อที่สองอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้สันโดษได้บินทบาทตามมีตามได้ข้อที่สาม อีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้สันโดษด้วยเสียนาสนะตามีตามได้และข้อที่สี่อีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้มีการเจริญกุศลธรรมเป็นที่เรื่นรมชื่นชมยินดีในการเจริญกุศลธรรมมีการละอกุศลธรรมเป็นที่เรื่นรมชื่นชมยินดีในการละอกุศลธรรมอีกทั้งเธอไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่น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 คือการละอกุศลธรรมนั้นภิกษุนี้เรียกว่าเป็นผู้สถิตในอริยะวงอันเป็นของเก่ามีมาแต่ดั้งเดิมคุณธรรมดังเช่นความสันโดษนั้นว่าโดยพื้นฐานก็สอดคล้องกับศีลสําหรับพระภิกษุสงฆ์นั่นเองและศีลสําหรับพระภิกษุสงฆ์นั้น ก็จัดวางไว้เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์มีวิถีชีวิตแห่งความสันโดษและเพื่อเกื้อหนุนให้ภิกษุทั้งหลายอุทิศชีวิตให้แก่การบําเพ็ญเพียรในการพัฒนากุศลและลดละอกุศลนั่นเองเพื่อรวบรัฐอีกเช่นกันขอสรุปว่าสินสำหรับพระภิกษุสงฆ์นั้น พระอัฏฐกถาจารย์ประมวลเข้าและจัดเป็นประเภทได้สีอย่างเรียกว่าปาริสุทธิ์ที่ศีลสีหมายถึงศีลเครื่องให้บริสุทธิ์หรือความประพฤติบริสุทธิ์ที่จัดเป็นศีลมีสี่ประการคือหนึ่งปาติโมกขสังวรศีลศีลคือความสำรวมในพระปาติโมกเว้นข้อห้ามทำตามข้ออนุญาตประพฤติเคร่งรัดในสิกขาบททั้งหลาย ท่านว่าศีลข้อนี้รักษาสำเร็จด้วยศรัทธา 2. อ, อินทรียสังวรศีลศีลคือความสำรวมอินทรีย์ระวังไม่ให้บาปอากุศละธรรมเช่นความชอบชังติดใจหรือขัดใจครอบงำเมื่อรับรู้อารมณ์ด้วยอินทรีย์ทั้งหคือเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรส กายถูกต้องสิ่งกระทบและใจรู้คิดเรื่องราวต่างๆท่านว่าศีลข้อนี้สำเร็จด้วยสติพึงสังเกตว่าอินทรียสังวร น, นั้นในบาลีท่านจัดเข้าในหมวดสมาธิเช่นในทีฆานิายสินละขันธวัชสา อาชีวะบริสุทธิ์ที่ศีลศีลคือความบริสุทธิ์แห่งอาชีวะได้แก่เลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบทําบริสุทธิ์ไม่ประกอบการสแสวงหาในทางที่ผิดเช่นไม่พูดอวดอุตริมนุษธรรมคือยานวิโมกสมาธิสมาบัติมรรคผลนิพพานที่ไม่มีจริงในตนและไม่ออกปากขออาหารเพื่อตนเองบริโภคโดยมิได้เจ็บไข้เป็นต้น ไม่กระทากูหานาคือการหลอกลวงเช่นปั้นแต่งท่าทางหน้าตาเคร่งรัดให้เขาเลื่อมสายถวายปัจจัยสี่ไม่กระทาลัปปนาคือกระจบเขากินไม่กระทานิมิตคือเลสนัยเลียบเคียงต่างๆให้เขาถวายปัจจัยไม่กระทานิเปสิกตาคือขู่เข็นกลั่นแกล้งเพื่อให้เขายอมถวายปัจจัย และไม่เอาลาบต่อลาบเช่นให้ของน้อยแก่เขาไปเพื่อว่าเขาจะได้ถวายมากตอบมาเป็นต้นท่านว่าศีลข้อนี้สำเร็จด้วยวิริยะข้อที่สี่ปัจจัยสันนิสิตาศีลศีลที่เกี่ยวกับปัจจัยสี่ได้แก่ปัจจัยปัจเจเวก คือใช้สอยปัจจัยสี่ด้วยพิจารณาให้เป็นไปตามความหมายและประโยชน์หรือคุณค่าที่แท้จริงของสิ่งนั้นๆไม่บริโภคด้วยตัณหาเช่นฉันอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายให้มีสุขภาพดีมีชีวิตผาสุกทำกิจได้ง่ายช่วยให้มุ่งไปได้ในไตรสิกขาไม่ใช่เพื่อปรนเปรืหรือสนุกสนานมัวเมาท่านว่าศีลข้อนี้สำเร็จด้วยปัญญา คำแถมท้ายย้อนกลับไปพูดถึงขฤรือหัดเห็นควรสรุปเรื่องนี้ด้วยการกล่าวถึงข้อปฏิบัติบางอย่างที่ควรเน้นเป็นพิเศษเกี่ยวกับโภคทรัพย์ดังนี้ในแง่บุคคลควรดำเนินตามพุทธปฏิปทาที่นิยมยกย่องคนมั่งมีทรัพย์เฉพาะแต่ผู้ที่รำ่ำรวยขึ้นมาด้วยความขยันหมั่นเพียรโดยทางสุจริตชอบธรรม และใช้ทรัพย์นั้นทำสิ่งที่ดีงามบันเป็นประโยชน์คือยกย่องความเป็นคนดีมีประโยชน์เหนือความมีทรัพย์โดยเฉพาะจะต้องฝึกสอนอบรมอนุชนคือคนรุ่นใหม่ให้มีค่านิยมที่จะเห็นเป็นความดีงามความสามารถอันน่าภาคภูมิใจต่อเมื่อได้สร้างสมโพกทรัพย์นั้นด้วยความเพียรโดยสุจริตและมีความตั้งใจมุ่งหมายที่จะใช้ทรัพย์นั้นทาสิ่งที่ดีงาม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 ก็ดังที่กล่าวแล้วข้างต้นคือจะทรงยกย่องสรรเสริญหรือติเตียนก็อยู่ที่ว่าการมันเป็นวิธีที่เขากระทำเพื่อให้เกิดทรั์นั้นสุจริตชอบทำหรือไม่และเขาปฏิบัติต่อโพกรั์นั้นอย่างไรพูดอีกอย่างหนึ่งให้ตรงจุดว่ามีใช่ความมั่งมีหรือคนมั่งมีดอกที่พระพุทธเจ้าทรงติเตียนหรือสรรเสริญ พระพุทธเจ้าทรงตีเตียงหรืสรรเสริญที่การกระทาของคนมั่งมีต่างหากในแง่สังคมตามหลักพระพุทธศาสนารับเป็นอุปกรณ์หรือเป็นปัจจัยอุดหนุนชีวิตไม่ใช่จุดหมายของชีวิตรับจึงควรเป็นเครื่องช่วยให้มนุษย์มีความสะดวกมากขึ้นและพร้อมมากขึ้นในการที่จะดำเนินชีวิตที่ดีงาม และทำกิจที่ดีงามเพื่อเข้าถึงสิ่งที่ดีงามยิ่งขึ้นไปทรัพย์เกิดขึ้นที่ไหนแก่บุคคลใดก็ควรเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลแก่มนุษย์เป็นปัจจัยอุดหนุนให้มนุษย์ทั้งหลายสามารถดำเนินชีวิตที่ดีงามพร้อมที่จะทำสิ่งที่ดีงามได้มากยิ่งขึ้นตามหลักการนี้เมื่อทรัพย์เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้หนึ่งก็คือมีทรัพย์เกิดขึ้นแก่มนุษย์ หรือมีรัพ์เกิดขึ้นแล้วในสังคมเมื่อบุคคลผู้หนึ่งมั่งมีขึ้นสังคมก็พลอยยิ่งเจริญงอกงามอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นดังนั้นซั์เกิดขึ้นแก่คนดีคนหนึ่งก็เท่ากับเกิดขึ้นแก่สังคมด้วยบุคคลดีที่มั่งมีขึ้นนั้นเป็นเหมือนเนื้อนาดีที่ข้าวงอกงามขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของคนทั้งปวงในข้อนี้ พึงอ้างพุทธพจน์ว่าสัตว์บุรุษเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของคนทั้งปวงและพุทธพจน์ว่าซับมีแก่คนดีเหมือนมีสระน้ําในที่ใกล้บ้านทุกคนได้กินใช้สุขสดชื่นแต่ซับมีแก่คนร้ายเหมือนสระน้ําอยู่ในถิ่นอามนุษย์ถึงจะใส่ดีรื่นรมก็ไร้ประโยชน์ คนมั่งมีตามหลักการนี้พึงยินดีเอิบอิ่มใจที่ได้มีความสามารถทาหน้าที่เป็นตัวแทนเป็นเจ้าการหรือมีเกียรติเหมือนได้รับความไว้วางใจจากสังคมในการจัดหาทรัพย์มาช่วยอุดหนุนหล่อเลี้ยงเพื่อนมนุษย์ในสังคมของตนให้อยู่สุขสบายและมีโอกาสทํากิจที่ดีงามเทียบกับคติการเกิดขึ้นแห่งอานาจและผู้ปกครองตามคติพุทธศาสนาเช่นในอคัญยสูตร เศรษฐีชาพุทธเช่นอนาถาบินทิกะดำเนินตามปฏิปธานี้จึงสละทรัพย์เพื่อสงฆ์และคนยากไร้ตลอดเวลายาวนานจนหมดตัวก็ไม่เสียดายแต่ในทางตรงข้ามถ้าบุคคลผู้หนึ่งยิ่งร่ำรวยขึ้นสังคมยิ่งซูบโสมลงเพื่อนมนุษย์ยิ่งมีทุกข์ทรมานมากขึ้นก็เป็นเครื่องแสดงว่ามีการปฏิบัติผิดต่อทรัพย์ ทรัพย์ไม่เป็นปัจจัยอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ของมันเมชาสังคมก็จะระส่ำระสายในที่สุดถ้ามิใช่บุคคลมั่งมีอยู่ไม่ได้ก็สังคมอยู่ไม่ได้หรือทั้งสองอย่างสังคมอาจปลดเขาจากตาแหน่งแล้ววางระบบวิธีจัดหาทรัพย์และตั้งเจ้าหน้าที่จัดสรรทรัพย์ใหม่ซึ่งอาจเป็นผลดีขึ้นหรือเลวลงก็ได้แต่จะอย่างไรก็ตาม กติก็มีอยู่ว่าถ้ามนุษย์ปฏิบัติผิดทรัพย์ที่มีขึ้นเพื่อประโยชน์ย่อมกลับเป็นโทษที่ทำลายทั้งความเป็นมนุษย์ตัวมนุษย์และสังคมมนุษย์ในแง่รัฐพระพุทธศาสนามองเห็นความสำคัญของทรัพย์ในสังคมของชาวโลกว่าความจนเป็นความทุกข์ในโลกความยากไร้ขาดแคลน เป็นสาเหตุสําคัญของอาชญากรรมและความชั่วร้ายต่างๆในสังคมเช่นเดียวกับความโลภและสัมพันธ์กันกับความโลภด้วยและถือว่าเป็นหน้าที่ของรัฐหรือผู้ปกครองบ้านเมืองที่จะต้องคอยเอาใจใส่ดูแลจัดสรรปันทรัพย์ให้แก่เหล่าชนผู้ไร้ทรัพย์ไม่ให้มีคนจนยากขัดสนในแผ่นดินซึ่งทั้งนี้ย่อมต้องอาศัยวิธีการต่างๆประกอบกันและตามที่เหมาะกับสถานการณ์ เฉพาะอย่างยิ่งการเปิดช่องทางสร้างโอกาสให้ถวยราช ธ, ธรรมหาเลี้ยงชีพเจริญก้าวหน้าโดยสุจริตการส่งเสริมอาชีพการจัดสรรเกี่ยวกับทุนและอุปกรณ์ตามหลักราชสังหะวัตถุสี่และการควบคุมป้องกันมิให้มีอาธรรมการคือการทำการและวิธีการทั้งหลายที่ไม่ชอบทำไม่เป็นธรรมมีการเอารัดเอาเปรียบกันเป็นต้นโดยที่รัฐ ควรถือเป็นหลักการว่าการลดหมดไปของคนยากไร้เป็นเครื่องวัดความสําเร็จได้ดีกว่าการเพิ่มขึ้นของคนร่ํารวยและให้การลดหมดไปของความขัดสนนั้นเป็นผลของการจัดการทางสังคมที่มีละเลยการพัฒนาคนในระบบเศรษฐกิจการเมืองมักมีคําถามว่าระบบเศรษฐกิจระบบการเมือง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 ซึ่งความจริงก็ยังเป็นเพียงระบบที่หวังว่าดีที่สุดคือหากจะต้องรอจนกว่าหลังจากสถาปนาระบบที่ว่าดีที่สุดเสร็จแล้วจึงค่อยใช้ระบบนั้นทำให้ประชาชนประสบประโยชน์สุขอย่างนี้จะพ้นจากความเป็นการปฏิบัติที่เลื่อนลอยและพ้นจากความงมงายได้อย่างไรในเมื่อระบบสามัคคีธรรมก็มีอยู่ทั้งระบบราชาธิปไตยก็มีอยู่ในเวลานั้นก็เป็นอันว่า ประชาชนที่อยู่ภายใต้ระบอบราชาธิปไตยพระราศาสดาก็ต้องช่วยให้เขาอยู่ดีมีสุขประชาชนที่อยู่ภายใต้ระบอบสามัคคีธรมรมพระองค์ก็ต้องช่วยให้เขาอยู่ดีมีสุขสำหรับระบอบแรกส่งเน้นให้ผู้ปกครองมองเห็นยศศักดิ์อำนาจเป็นเครื่องมือสร้างประโยชน์สุขแก่ราษฎรมิใช่เป็นเครื่องมือสแสวงหาสิ่งปลนเรอือบิ่เรอสุขส่วนตนสำหรับระบอบหลัง ส่งแนะนำหลักและวิธีการที่จะดำเนินกิจการให้เข้มแข็งมั่นคงได้ผลดีในระยะที่ระบอบราชาธิปไตยจะเดินในทางดีงามอย่างสูงสุดคติธรรมแนวพุทธนี้ก็ได้เป็นหลักการปกครองของพระเจ้าอาโศกมหาราชดังดำรัสของพระองค์ในศิลาจารึกว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยะทันศีผู้เป็นที่รักแห่งถวยเทพ ไม่ทรงถือว่ายศหรือเกียรติจะเป็นสิ่งมีประโยชน์มากเว้นแต่จะทรงปรารถนายศหรือเกียรติเพื่อความมุ่งหมายนี้ว่าทั้งในบัดนี้และในเบื้องหน้าขอประชาชนทั้งหลายจงตั้งใจสดับฟังคำสอนธรรมะของข้าพเจ้าและจงปฏิบัติตามหลักความประพฤติในทางธรรมดูที่มาจากธรรมะองค์การจารึกศิลาฉบับที่สิบในจารึกอโศก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 หมวดที่สองหมวดศีลขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาเจ้าภาพเพิ่มเติมอีกดังนี้พระนอมรักเพชรเสถียรกันกวีเวนัดนิจชามาโสภารัชนีจันจรัดวัฒนากรมมาลาศมุมวิชาชุติการสิบหมู่สิริกรพุทธิพงศ์กาล ร, รัลจูชาติเหรียญทองกัญญนัททองบุญอนุภาพบัวมีเพียนจูเพชรกลมซับเพชรกลมไวทยากรมิ่งชัยรอบรัวคำสุภารอบรัวงามสุริยพงษ์ รจนาและวิชาลมุนทาทิปกุลพิมพ์สิริภักดีชาติปัญญาโกจันร่วมกับอีกหลายท่านซึ่งไม่ประสงค์ออกนามขอทุกท่านเจริญแต่ในทางที่เป็นกุศลยิ่งขึ้นไปสภพทธานังธรรมะฐานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงอริยคุณพุทธธรรมชมรมพลดีมีนาคมพุทธศักราช2 5 6 6